อจริญพรเจ้าโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยดูยแลปรารถนาความสุขความเจริญงอกงามของชีวิตปรารถนาความสําเร็จในการงานอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยได้มีความาเจริญงอนงาม มีสถานภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการที่เราจะได้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยการศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจำเป็นโดยพอสาว่ากเราต้องการการงานที่มั่นคงต้องการการการที่ดี ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องมีการศึกษาอัทวันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าการศึกษาเนี่ยช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยได้ไต่ระดับจากคนที่เคยยากจนก็มากลายเป็นคนที่มีฐานะที่ดีจากเคยคนที่เคยเป็น ชนชั้นราำยาก็กลายเป็นชนชั้นกลางแล้วก็พัฒนาเป็นชนชั้นสูงเป็นต้นถ้น า, าเปรียบชีวของเราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เราคงอยากจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เป็นต้นไม้ที่มองเห็นได้แต่ไกลโดดเด่นอยู่ในสายตาของผู้คน แล้วก็จะเป็นต้นไม้ที่สูงไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าต้นไม้เนี่ยจะสูงได้เนี่ยมันต้องมีรากที่ลึกต้นไม้สูงแต่รากไม่ลึกเราก็ไม่สามารถเคียแผ่กว้าองออกไปได้เนี่ยต้นไม้นั่นก็จะสูงได้ไม่นาน เพราะว่าเวลามีพายุพัดกระหน่า ก, ก็อาจาจะลงคืนลงมาจะสูงได้ต้องมีความลึกมาประกอบ ด, ด้วยเอาพวกเราคงเคยเห็นเขายิงนธนูนะ ธนูเนี่ยรูปธนูเนี่ยมันจะพุ่งไปไกลพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลได้เลยแค่ไหนเนี่ยคนที่ยิงธนูก็จต้องน้าวนะน้าวสายธนูเนี่ยให้ถอยมาที่ตัวเองยิ่งน้าวถอยหลังไกลเท่าไหร่นะรูปธนูก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลเท่านั้น คนเราเนี่ยจะก้าวหน้าได้นะต้องกลับมาต้องกลับมาที่ตัวเองต้นไม้จะสูงใหญ่ได้นะก็ต้องจัอย่างรากลงไปให้ลึกงั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการชีวิตที่จเจริญงอกงาม น, นะอยากปรารถนาที่ให้เราเนี่ย ก, ก้าวหน้าไปไกลเท่าไหร่ จะต้องกลับมาที่ตัวเราเองเสมอยิ่งเรากลับมาที่ตัวเองได้เท่าไหรนะเราก็จะมีเหมือ น, นต้นไม้ที่มีฐานที่มั่นคงสำหรับต้นไม้นี่นะความสูงเด่นมันเป็นไปได้นนอย่า ง, ย, างยั่งยืนแล้ต่อเนื่องเพราะมีรากที่ลึก ในความมีกันนะพวกเราจะมีชีวิตที่พัฒนาสูงขึ้นไปได้เรื่อยเยเนี่ยเราต้องมีฐานใจนะที่ยัง่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้เรื่องทางโลกอย่างเดียวเนี่ยย่ไม่เพียงพอสําหรับชีวิตที่จะเจอนต่อหน้าเราต้องกลับมารู้เรื่องตัวเราเอง โดยเฉพาะรู้เรื่องจิตใจของเราและรู้อย่างเดียวไม่พอนะต้องพัฒนาให้จิตใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงจิตใจมีความมั่นคงมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถเผชิญกับพายุแห่งอุปสรรคได้คนที่มี สถานะที่สูงมีความรับผิดชอบที่มากถ้าว่าเขาเอาแต่สนใจแต่ความสาเร็จในงานการแต่ว่าเขาไม่สนใจที่จะทำให้จิตใจมีฐานที่ยั่งลึกเนี่ยเวลาเขาจะอกระสับไม่ใช่แค่คำตอบว่าสาทอแต่ว่าจะรวมถึง ผู้ที่พยายามเลื่อยขาเก้าอีกเขาหรือว่าผู้ที่พยายามเทียกันแกล้ง <c oughs> เขาก็จะทำใจลำบากเขาจะสรงใจได้ให้เป็นปกติได้ยากเพราะเราก็ทราบู่แล้วว่ายิ่งสูงเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวเป็นประสิทธิย์ยิ่งสูงยิ่งหนาว แต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยนะเขามีใจที่มั่นคงไม่ว่าเขาจะอุปสรรคอะไรเขาก็ไม่หวั่นไหวก็ยังสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคนั้นได้คนจำนวนไม่น้อยฮะที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต แต่พอเกิดอุปสรรคขึ้นมาหรือเกิดวิกฤตในชีวิตขึ้นมาอาจจะเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับการงานหรือวิกฤตเกี่ยวกับชีวิตมันจนไม่น้อยเนี่ยก็ถึงกับล้มสุดไปเลยชีวิตเสียศูนย์ไปเลยกลุ่มอกกลุ่มใจบางทีก็คลุ่มครั่ง บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายอัโชววิกฤตเศรษฐกิจใปี40ูริวิกฤตในอเมริกาเริ่มวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี48เนี่ยมีคนจานวนไม่น้อยเนี่ยฆ่าตัวตายคนเหล่านี้เนี่ยเเคยเป็นคนที่ประสบความสเร็จในชีวิตนะเป็นที่นับหน้าถือตามีชื่อเสียงโดดเด่นในสายตาผู้คนแต่พอธุรกิจมีปัญหา ก็ถกวิาพากวิจารณ์หรือว่าการงานธุรกิจที่เคยเป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยมันล่มละลายแล้วคนเรานี้ก็ทำใจไม่ได้ยิ่งสูญเสียหักเท่าไหร่นะก็ยิ่งมีความทุกข์มากมายเท่านั้นแล้วเขาก็ทำร้ายตัวเอง บางคอนอาจจะไม่เกิดการทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวตแต่ว่าก็ปล่อยให้จิตใจเนี่ยจมอยู่กับความเศร้าจนกระทั่งกายเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเสียสติไปอันนี้เพราะอะไรนะก็ เ, เพราะใจเนี่ยเขาไมา่มีความมั่นคงเพียงพอเขามีแต่ความรู้ทางโลกเขาเอาแต่ทำงานการ เอาแต่สร้างสะสมทรัพย์ภายนอกแต่เพื่อื่อที่จะสร้างสร้างภายในหรืออธิรฐพ์เขามีความรู้มากมายเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับธุรกิจการงานแต่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองและพวกเราคงรู้จักหมอวิสุทธ์นะบุญเกษตรสันติหมอวิสุทธ์เนี่ยมีชื่อเมื่อสักสิบกว่าปีก่อน ที่จริงก่านนั้นมีชื่อนะในฐนานะที่เป็นแพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเก่งมากในเรื่องของการทำกิปนะเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแล้ววันนี้คืนนีก็ถูกจับข้อหาค้าภรรยาเอาภรรยานี่มาแลกเป็นชิ้นๆนะเพื่ออำพรางคดี แล้วก็ถูกสารตัดสินประหารชีวิตเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยนะเป็นข่าวใหญ่มากแต่ว่าก็ถ้าว่าเดชบุญนะคุณหมอวิสุทธิซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถจะใช้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งคนึ่งแพทย์ได้แนละ้วเพราะว่าถูกถอนแบนอนุ ญ, ญาตเป็นนายพิสุทธิ์ธรรมดาแต่ว่าก็ได้ทำความดีมาในคณะที่ในเรือนจำจะมาทั่งลดถูกลดโทษหลือ จากผู้ตลอดชีวิตแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้อบจากเรือนจำแล้วแกให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้น่าสนใจก็บอกว่าเมื่อย้อนระลึกไปถึงชีวิตที่ผ่านมาเนะรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจที่เอาแต่ทําการงานนะหมกบุ่นแต่ทําการงานจนกระทั่งไม่สนใจนะเรื่องจิตใจของตัวเองแต่ชีวิตมีแต่เรื่องการทํางาน การทำอาหากินไม่สนใจเรื่องการฝึกสติมันทำให้เกิดความคลายขึ้นมาคนที่มีวิชาวความรู้มากมายแต่พอชีวิตมีปัญหาก็หาทางออกที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่มีวิชาวความรู้จะทำได้สุดท้ายก็ เกิดไปทำให้ชื่อตัวเองเนี่ยพังที่นหน้าไปถ้าททำไมคนที่มีวิชาความรู้นะมีสถานภาพสูงเนี่ยทำไมถึงมาลงเอยด้วยการเป็นฆาตกรหรือเป็นจำเลยในคดีนี้หมายวิสุทธ์ก็ยอมรับนะเป็นข้อขาดสติอาจจะเป็นทำให้ลูกแกโทศารทำให้หลงอยู่กับอ่า ความรวมแล้วก็ทำในสิ่งที่คนธรรมดาผมไม่คิดจะทำเอ๊ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่ามีคำพูดที่ว่าเนี่ยสำนวนโบราณที่ว่าความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดนี่เกิดจากตัวไม่รอดแล้วนะโชคดีที่ยังมีโอกาสที่จกลับมาเริ่มต้นใหม่แทนที่ทุกประหารชีวิต คนเราเนี่ยแม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใดแต่ถ้าหากว่าขาดสติเสียแล้วก็สามารถจะทำในสิ่งที่เป็นทั่ษกับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นได้อย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทําอย่างนั้นได้นั้นการกลับมาการกลับมาเรียนรู้ตัวเอง การกลับมารู้จักตัวเองการกลับมาสร้างฐานใจให้มันคงเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการที่เราจะประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหรือสามารถจะไปยิ่งกบบ น, นั้นก็คือการที่ดำเนินชีวิต อ, อย่างมีความสุขมีความสมบูรณน ไม่ถูกความทุกขนะ์ครอบงำย่ำยีคนทุกวันนี้เนี่ยนะความทุกข์กายเนี่ยแทบจะรบกวนน้อยมากเดี๋ยวนี้เราสามารถเทียนนั่งฟังธรรมะใน่ามปราการที่เย็นสบายเดี๋ยวนี้น้อยคนที่จะรู้จักธรรมะหิว ความเหนื่อยยากจากการทำงานอย่างคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ยา่าตา ย, ยายที่ต้องไปทำไร่ไถนาต้องเดินไปนา น, นที่ไกลๆเนี่ยแทบจะไม่รู้จักนะเพราะแค่200เมตรแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ล้วก็มีรถรลนต์เนี่ยไอความเหนื่อยแทบจะไม่รู้จักหรือลรงความน้อยมากแต่สิ่งที่เป็นปังหาคนทุกวันนี้คือความถึกใจถ้าความถึกของเราเนี่ยมีรเเนี่ย ความทุกข์กายจะมีแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซนอันนี้คือถคนปกตินะที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรให้เจ็ดสิบเปอร์ซนตเนี่ยความทุกข์มันเป็นความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากอะไรนความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากร้อยทั้งร้อยเนี่ยเกิดจากความคิดเกิดจา ก, การเผลอคิดเวลาเราทุกเวลเราทุกข์ใจเนี่ย เราทุกพาออะไรเป็นพ่อเราเป็นคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วความผูกของใครบางคนที่ต่อว่าต่างทอเราความสูญเสียไม่วจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนรักหรือว่าความล้มเหลวของการงานซึ่งอาจจะผ่านมาแล้วเป็นปี แต่เพื่อทำความเพื่อจะเราทุกข้ออะไรทุกวามคิดถึงมันถามว่าคิดแล้วทุกแล้วทำไมถึงคิดก็ตอบได้เพราะว่าขาดสติทอดลืมตัวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตในหลายเรื่องเนี่ยมันทุกข์ แต่ยิ่งทุกข์ก็กลับทำให้ยิ่งคิดยิ่งจมอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นทำไมทั้งที่คิดแล้วทุกข์แล้วทำไมยังคิดก็เพราะว่าลืมตัวเพราะไม่มีสติเช่นเดียวกับเรื่องราวในอนาคตา เ, เที่ยงมาไม่ถึงเราก็หวนนึกถึงมันแราไม่ได้หวนนึกเราก็คิดถึงมันคิดแล้วก็กังวล ลูกเราจะปีน่าจะสอบเข้ามหาอิทยาลัยได้ไหมลูกเราจะเรียนต่อได้ไหมมีที่เรียนหรือเปล่าบ้านจะถูกจึดหรือเปล่านีสินมากมายยังไม่ได้ชำระอาจจะนึกไปถึงความเจ็บความป่วย หมอแนะให้ไปรับังผลการวินะิจฉัยวันจันนี้ไปตรวจชิ้นเนื้อนะยังไม่รู้เลยว่าผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นอย่างไรนะแต่ว่ากลุ้มใจนะนะพไปคิดไปเดา ว, ว่าเนะี่ยอาจจะเป็นมะเร็งพอคิดแบบนี้เข้าใจก็หอบหยวใจก็ร้อนรุ่มมันก็ตกตารถเลยทั้งๆยังไม่รู้ผลนะแต่ว่า ใจห่อเดียวแล้วเป็นทุกข์แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วนี่เพราะอะไรนะเพราะไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถามว่าคิดแล้วทุกข์ไหมทุกข์แล้วทำไมยังคิดก็เพราะลืงตัวก็เพราะไม่มีสติคนเราเนี่ยถ้าไม่กลับมามาดูใจของตัวไม่กลับมาศึกษาชีวิตจิตใจของตัวเนี่ย ก็จะไม่คิดไม่ตระหนักเลยนะว่าไอความทุกข์ที่มันเล่นงานจิตใจเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่มีสติใจที่ลืมลืมนายลืมตัวเ ร, เราเราเป็นอาไม่มีความทุกข์ใจเนี่ยเรามักจะโทษภายนอก สิ่งภายนอกโทษคนที่เขาพูดจด่าทอเราคนที่โทษคนที่ทําให้งานการเราไม่ประสบความสําเร็จโทษสินฟ้าอากาศโทษนักการเมืองคนนี้ก็โทษที่โทษแม่โทษน้องนะว่าทําให้เราทุกข์พรามาขัดอกขัใจเราแต่ที่พิงแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่ทําให้เราทุกข์ได้เลยนะ เช่นเดียวกันไม่มีใครที่ขโมยความสุขไปจากใจเราได้ถ้ากว่าเราทุกนะก็เพราะว่าเราวางใจผิดถ้าเราทุกก็เป็เพราะเราลืมตัวท่านาจารย์ชาสโลพูเไว้ให้ข้อคิดที่ดีนะถ้าบอกว่าไม่มีใครที่บังคับให้เราทุกได้อันนี้หมายถึงทุกใจนะ มีแต่คนมามาชวนให้เราทุกข์มาชวนให้เราไม่พอใจเมื่อเขามาชวนมาเชิญให้เราไม่พอใจมาชวนให้เราทุกข์แล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะจรับค า, เ, า, าเชิญหรือเปล่าอยู่ที่เรากว่าจะรับคำเชิญหรือเปล่าอยู่ที่เรากว่าจะรับคำชวนหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเผลิมนะก็เลยทุก เช่นเขาว่าเราถ้าเราไม่สนใจคําพูดเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไม่ทุกขนะ์แต่เป็นเพราะใจเราเนี่ยไปฉวยไปรับไปเก็บเอาคำเหล่านั้นมาย้ําทวนให้มันดังกระดึมในจิตใจของเราเมื่อเรากราดเทปยิ่งใครว่าเราเท่าไหร่เราก็ยิ่ ง, ย, งยิ่งคิดถึงคําตอบว่าเรานนเนี่ย ยิ่งเจ็บแสบมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งนึกบ่อยมากเลยนะแล้วเราก็ทุกเองสาวทุกพ่ออะไรนะไม่ใช่ทุกพ่อคำว่าเนะี่ยแต่ทุกพ่อใจมนะันไปช่วยไปยึดเอาไว้ไปย้อนระลึกนึกถึงคําพูดเหล่านั้นดูบ่อยๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้คือความหมายนะที่ว่าเนี่ยมันไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราเว้นแต่ว่าเราเนี่ยไปเปิดช่องหรือไป เปิดทางให้เขาเนี่ยเข้ามาหรือไม่เราก็ไปรับเอาคําชวนคาเชิญของเขาเพียงแต่เราไม่รับเอาคําพูดเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยแต่เราก็ไม่ทุกข์ในสมุทตะการก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจพระเจ้านะเพราะว่าเคพื่อนของเขาก็ดีลูกเสือลูกหาก็ดีเนี่ย นะหันไปศรัทธาพระพุทธเจ้าหันเป็นป เ, เป็นสมาธานพระรัตนไตรัยเขาไม่พอใจพขาด่าว่าพุทธเจ้าตามด่าว่าไปังถึงเชตวันพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่ตอบโต้ปล่อยให้เขาว่าตนเ้าเหนื่อยละนะแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสนทนากับเขาว่าความณ์ เคยมีอาการตุกกะมาที่บ้านท่านหรือเปล่าพ ร, ราหบอกมีสิทเราไม่ใช่เป็นข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นคนสิ้นไม้สิ้นไม้ไร้ตอบไงสิ้นไร้ไม้ตอบมีคนมาเยี่ยมข้าพเจ้าอย่เป็นประจำผู้เจ้าก็เลยถามว่าเมื่อมีคนมาเยี่ยมท่านท่านทําอย่างไรพราก็ตอบว่าข้าพเจ้าเอาน้ําเอาของเคี้ยวมาต้อนรับผู้เจ้าก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าอาการตุกกะ น, น, นั้นเนี่ยไม่รับของเหล่านั้นเนี่ย ของเรานั้นจะเป็นของใครพระามตอว่าของนั้นก็เป็นของข้าเพเจ้าสิงพรเจ้าเลยตอบว่าคำดาว่าของท่านเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รักเนี่ยมันจะเป็นของใครนะพระเจ้าไม่เป็นทุกข์เพราะคําตอว่าของพระามเรานั้นเพราะว่าพราะองค์ยังไม่ไปไม่ไปฉวยไม่ไปรีบเอาคําเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ท่านปล่อยวางปล่อยวาง อันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่เป็นธรรมในกับที่พรุทธเจ้าได้สอนพระนันทียะพระนันทียะเนี่ยท่านเคยเล่าให้พระองค์ครีมานฟังพระองค์ครีมานซึงตอนนั้นเพิ่นบวใหม่ๆ ม, ม, มาถามพระนันทียะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านพระนันทียะก็ตอบว่าเนี่ยพระผู้มีพระพภาคเจ้าได้สอนว่าเนี่ยอย่าให้ยึดอย่าติดอย่ายึดอย่าติดในอารมณ์ที่เป็น อายายืดติดทั้งข้างหน้าข้างหลังและระหว่างกลางคือให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ใดที่พอใจอารมณ์ใดที่ไม่น่าพอใจก็ให้ปล่อยให้วางอย่าแบกไปด้วยเขาด่าว่าท่านบนบกก็ให้วางกองตงนั้นอย่าเอาลงน้ำ เขาหวาดเขาด่าว่าท่านในน้ำก็ให้กอมลงตรงนั้นอย่าเอาขึ้นหมดเขาด่าว่าท่านนะในเมืองก็ให้วางกองตรงนั้นอย่าเอาไปเชตะวันด้วยปล่อยวางแต่ทําไมปล่อยวางไม่ได้ทําไมถึงแบกนะ<ม>เพราะความดึงตัวเพราะความไม่มีสตนะิคนเราทุกข์ระยึดนะ ทุกขยึดแต่ทําไมทั้งๆ ท, ที่ทุกแล้วยังยึดอยู่ได้นะเพราะว่าความดึงตัวเอาพวกเราคงสร้างว่าเามีวิธีจับวิธีจับลิงนะลิงที่ชอบมาก่อควนวุ่นวายตามสวนตามไร่นานะอันนี้เป็นภูมปัญญาชาวบ้านเป็นภูนมิปัญญาที่มีในทุกที่ในะทุกวัฒนธรรม บางแห่งก็ใช้ก็ใช้กระบอกไม้ไผ่บางแห่งใช้มะพร้าวกระบอกไม้ไผ่นี่ก็เจาะรูนะรูพอที่จะให้ลิงเนี่ยเอาหนูสอดเข้าไปได้แล้วในนั้นก็ใส่ถั่วอาหารที่ลิงชอบลิงมันลงมาจากต้นไม้มันอย่ากระบอกไม้ไผ่มันก็มือล้วงเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วพอมันเจอถั่วมันก็ กัแต่พอพอมันจะดึงออกมาเนี่ยมันก็ดึงืออกมันดึงมือออกมาไม่ได้เพราะมือเนี่ยมันมันกัมเอาไว้นะมันก็ติดนะถ้าเกิดว่าพรานเห็นหรือว่าชาวบ้านเห็นเนี่ยก็สามารถจะจับมันได้เพราะว่ามันเนี่ยไม่สามารถจะปินขึ้นต้นไม้ได้ทำไมเพราะเพราะว่ามือของมันเนี่ยมันติดอยู่กับกระบอกไม้ไผ่ จริงเนี่ยถ้าลิงกำลังกินแต่คลายมือออกแบมือออกเนี่ยมันก็จะดึงมือออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ได้แต่มันไม่ยอมดึงแต่มันไม่ยอมคลายมันไม่ยอมแบ่ทาไมนีมันไม่รู้หรือว่าถ้ามันถ้ามันแบมือออกมาเนี่ยมันก็จะดึงมือออกมาได้แล้วมันก็สามารถจะปีนขึ้นต้นไม้ได้มันไม่รู้เพราะมันลืมตัวความอยาวก็เป็นส่วนนี้ทํำให้มันเนี่ยยึดเอาไว้ ความอยากคือความอยากได้ไอ้ถั่วนั่นนะ่ะมันก็ทําให้มันกรรมเอาไว้แล้วยิ่งมันตกใจกว่าเห็คนมาอมันยิ่งตกใจมัยิ่งเลืมตัวใหญ่นะมันก็เลยลืมไปว่าเอ้ยถ้ามันเพียงแค่แบมมือออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากลําไม้ภายนั้นแล้วมันก็จะสามารถจะมีไปได้บางที่เนี่ยอย่างเช่นตะมาบอกนะอย่างเช่นทีมเมริกาตาก้เขาใช้มาพราวแล้วก็เจาะรูเล็กๆ แล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยผูกติดไว้กับต้นไม้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเช่นเอามะพร้าววางไว้เนะี่ยประมาณตอนตอนสายๆนะหรือว่าตอนเย็นๆนี่นะลิงนี่มันก็เอามือเข้า่ล้วงเข้าไปในในรั้วพราวนะั้นแล้วก็มันก็เหมือนเดิมคือมันออกมาไม่ได้มันก็จะดิ้นอยู่งั้นนะ่ะทั้งคืนเลยนะพอเช้าเนี่ยปรากฏว่ามันหมดแรงมันหมดแรงเลยนะ คนไม่ต้องทำอะไรมาเลยนะไม่ต้องไล่ตามมันเลยเพราะมันหมดแรงเดื้อจัาพยายามดึงนัเนแหละมันดึงไม่ออกสักทีที่มันดึงไม่ออกเพราะว่ามันกรรมเอาไว้มันดึงทั้งคืนนะมันก็ดึงไม่ออกเพราะอะไรเพราะความยึดยึดเกิดขึ้นมาลอไรเพราะความอยากอันนี้หลายคนเนี่ยลืมตัวได้เพราะความความ ความคิดและความอยากแต่ว่าความทุกข์หลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เพราะยึดหรืออยากในสิ่งที่ชอบเช่นอาหารสาบลิงแต่ว่ายึดในคำพูดหรือยึดในสิ่งร้ายที่มันก่อคุกคจิตใจแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอดีตหรือเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราทุกค้เหตนนี้มากนะทุกร้อการคิดถึงอดีตกับอนาคตแล้วก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางและที่ยึดเอาไว้เพราะความไม่รู้ตัวถ้็นความรู้ตัวเรารู้เท่าทันความคิดเราก็จะปล่อยวางความคิดนั้นลงได้ พอใจมันเกิดคิดไปถึงเรื่องในอดีตรู้ทันวางพอจมัเกิดคิดไปสิ่งที่มาไม่ถึงเอารู้ทันแล้วก็วางจริงๆแล้วเนี่ยพูดเมื่อกี้พูดว่าเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะยังอาจจะยังยังไม่ถูกทีเลย น, น, นะต้องพูดว่าทุกเพราะไม่เห็นความคิดทุกข์ไหมเพราะไม่เห็นความคิด เพราะไม่รู้ทันความคิดความคิดมีถ้าเราเห็นมันแล้วรู้อยากใช้มันมันก็เป็นประโยชน์ความคิดมีประโยชน์นะมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้ในการเข้าใจโลกเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีหาทางออกจากปัญหาช่วยให้ธรรมะกิดได้ได้ได้ดีขึ้น แต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดแล้วเราปล่อยให้ความคิดมันเข้ามาเป็นนายเราโดยเฉพาะความคิดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องลบใเ่การที่จะโปวดความสูญเสียเราส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่ต่างจากลิงนะ ตัวที่ว่าเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ยึดด้วยมือเรายึดด้วยใจนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่พอเรามีสติมเมื่อไหร่เนี่ยมันมันวางได้เองมีเพี่งคนหนึ่งเขาเขามาพบว่าสามีที่เขาอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาสิกว่าปีเนี่ย นอกใจเธอโกรธมากเลยนะโกรธสามีคนนั้นมากเพราะเรียกว่าท um ุ่มเทให้กับสามีคนนี้มาตลอดสิบกว่าปีแต่พอรู้ว่าสามีเนี่ยนอกใจเธอโกรธมากก็าด่าว่าเขานะอย่างรุนแรงขึ้นเมืองขึ้นกูกันเลยสญญเสร็จแล้วก็ตัดสินใจเลิกราต่อกกันคือหย่าหย่ากัากกนเธอคิดว่าเนี่ย ตอนที่จะหย่านี้เธอคงเธอคิดว่าเธอคงจะทําใจไม่ได้นะแต่ก็ปรากว่าเออก็ทําใจได้นะอย่าไปแล้ข้าสุดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างชีวิตไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นเธอก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติทม เธอก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอยู่หลายครั้งแต่เธอเชื่อเป็นเพราะอันสองส์การเข้าคอร์สเนี่ยทำที่ทําให้เธอเนี่ยทําใจยอมรับการอย่าล้างได้จต่พอไปเข้าคอร์สเนี่ยครั้งหลังสุดเนี่ยบอกเลว่าแค่วันแรกเท่า น, น, นั้นเลยในะจิตใจเธอก็ร้อนรุ่มเพราะว่าวนขิ้นแต่เรื่องของอดีตสามีคนนีเธอรู้สึกว่าเสียดายเวลาสิบปีที่ผ่านมา มันเป็นความสูญเปล่าอย่างยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อเราลึกถึงอดีตสามีคนนี้วันที่สองก็ยังไม่ดีขึ้นจิตใจก็ยังรุ่มร้อนที่เธอคิดว่ า, าเธอทำใจได้มันไม่ใช่เนะอ้เป็นเพราะว่าตอนที่ตอนที่เลิกกันใหม่ๆเนะี่ยเธอมีงานมีการทำ มีงานที่ทําให้ใจเนี่ยไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่พอมา<ม>ปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันว่างพอมันว่างก็ไปวนคิดถึงเรื่องของมอดีตสามีวันที่สา ม, ม 3, เธอก็ยังร้อนรุ่มเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันทูกอย่างนี้ตลอดสามวันที่ไม่มีความสงบเลยวันที่สี่เนี่ยก็อีกนะ แต่ก็มีช่วงนึงที่เธอที่เธอเนี่ยเดินจงกรมเวลาเธอเดินจงกรมแล้วเธอก็เอามือในภาษาไว้ที่ข้างหน้าเดินไปสักชั่วโมงหนึ่งก็รู้สึกเมื่อยพอรู้สึกเมื่อยเนี่ยเธอก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเส้นมันก็สบายบอกว่ามันไม่ใช่แค่สบายกายมันสบายใจเลยเพราะเธอได้คิดแล้วว่าอ๋อไอ้ที่ที่ทุเกเนี่ยเขาไปดิ้เอาไว้ปล่อยเมื่ อ, อไหร่ก็สบายเมือ น, นั้นปล่อยมือแล้วสบายก็ทําให้ได้คิดแล้วอ๋อ ถ้าเราปล่อยเรื่องเนี้ยไปจากใจนะก็จะสบายเช่นเดียวกันเธอไม่รู้ตัวว่าเธอเผลอคิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องอดีสามีเนี่ยเธอคิดเป็นว่างเป็นเวรมาตลอดสามสี่วันทั้งที่คิดแล้วนี่มันทุกข์นะแต่ว่าเธอก็ไม่รู้ตัวนะจนาระทั่งพองมันได้คิดตอนที่ปล่อยมือแล้วมันสบายเธอก็ทําไม่รู้ว่าอดทุกข์พอยึดเอาไว้นะเหมือนกับ เราเมื่อไเราถือเราเรายิดมื อ, อไว้นะพอปล่อยมือมันสบายได้สติขึ้นมาทีเลยอ้เนี่ยเราทุกเนี่ยก็ยึดปล่อยก็สบาย ไ, ไอ้มากไอ้ความไอ้สติความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันทําให้เราได้รู้เลยว่าอ๋อทุก็ อ, อะไรเธอกับรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ได้มาเห็นยละอ๋อเนี่ยที่ที่ทุกเนี่ยก็ไปยืดเอาไว้ไปยืดเกิดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเลยที่จะที่จะลืมมัน ถ้าคนเราเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเราทุกข์มากพะในสิ่งทุกข์คิดเละยิบในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่มาไม่ถึงแต่ทั้งใ้ที่ทุกข์เนี่ยก็ยังยึดอยู่นั่นแหละตอเมื่อมีสติตอเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันถึงปล่อยวางได้แล้วเปลี่ยนไปก็ไม่ต่างจากคนที่แบกชิ้นเอาไว้ แบกทิ้เอาไว้แล้วก็บ่นว่ามันหนักมันหนักมันหนักแต่คนที่บ่นนั้นไม่เคยคิดที่จะปล่อยเฉยๆก็ยังแบกอยู่เพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันวางเองเคยมีอดีตนายตำรวจนะซึ่งเกษียณซึ่งตอนนี้ก็เกษียมาหลายปีแล้ว เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเมื่อประมาณสักสาสิบปีที่ที่ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นยังรับราชการอยู่ในตำรวจท่านนี้เนี่ยก็ไปไปกราบหลวงพ่อชาสุภะโถ ท, ที่นครพนมในใจก็มีความทุกข์มากก็ระบายเป็นความทุกข์เพราะว่าถูกกันแกล้งเป็นตำรวจเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ว่ารอบตัวในรถทั้งเจ้านายเนี่ยไม่ได้ซืสัตย์สุจริตเหมือน ตัวท่านด้วยก็ถูกกันแกล้งกลนะายเป็นแก่ดำนะที่จริงเป็นแก่ขาวนะทําการแก่ดำมากกว่าถูกกันแกล้งกันตามนานๆถูกเรื่อยขาเก้าอี้แล้วก็ถูกเป๊กนะเรียกว่าแป็กเลยนะไม่เค ย, ยเค ย, ยืนขยัแใ่ทางราช ก, การก็มาบรรบายเรื่องนี้ให้หลวงปู่หลวงอชาฟังหมวงอชาท่ก็ฟัง ท้าไม่ไม่ได้สอนไม่ได้แทกไม่ได้สอนสอะไรเลยเนะี่ยฟังอยู่ประมาณสี่สินาทีได้นะให้ในายตำรวจท้านี้ระบายพอื่นตรวจท่านนิรบาศเสร็จท่านก็ชี้ไปที่ชี้ไปที่ทลานหน้าคุณติท่านมันมีหินยก้อนหนึ่งเป็นหินก้อนใหญ่เลยแล้วก็ถามในตวรวจทั้งนี้ว่าเนี่ยหินก้อนเนี้ยหนักไหมหนักครับแบกไหวไหม ไม่ไหวครับแล้วไม่ไหวแล้วแตกไปทําไมได้สติเลยนะในตัวท<อ>่้นได้สติเลยรู้เลยวัเนี้ที่ทุกเนี่ยเขาไปแบกเอาไว้แบกเรื่องราวทางกายไมยอมปล่อยไม่ยอกมวาอันนี้พลังจริงเนี่ยนะอาตมาถึงบอกแต่แล้วว่าทุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นพ่อใครนะแต่เป็นพ่อเราเนี่ยไปช่วยไปยึดเอาไว้ ไปรับคําเชิญอย่างที่อาจารย์แช้โรโลพูดไ ป, ไปรับคําเชิญของเขาหินมันหนักถ้าเราไม่แบกนะเราก็สบายแต่ส่วนใหญ่แบกเพราะว่าไม่มีสติเพราะลืมตัวฉ่น้นผมบอกอย่างตั้งแต่แรกว่าเนี่ยการที่เราเราจะมีชีวิตที่สมบกสุน์นะแล้วก็เจริก็น่าได้ เ, เราต้องต้องกลับมาห้กลับมา มาที่ตัวเราอยู่เสมอไม่ใช่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวต้องกลับมาดูใจของเราด้วยโดยเพราะเวลาเราทุกข์เนี่ยนะอย่ามวาแต่ส่งจิตออกนอกอย่ามวาไปเพ่งโทษคนอื่นที่อยู่นอกตัวเรายิ่งเราทุกข์เท่าไหร่ต้องกลับมาดูที่ใจเรานะเราจะพบว่าออกเป็นเพราะาเราไปยึดไปแกะเอาไว้ แล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอวิกฤตในชีวิตแล้วเนี่ยไม่รู้จักวนกลับมามองใจของตัวนะเอาแต่โทษโน่นโทษ น, น, นี่นะก็จะไม่สามารถที่จะคนจับภาวะเสียศูนย์ได้เลยแต่ถ้าเป็นก็ตามเนี่ยที่เรากลับมารู้ทันนะ แห้ความทุกข์ในจิตใจตัวเองเราจะเห็นทางออกและทางออกนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสงบเย็นได้มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเล่าว่าเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยลูกชายอายุสิบห้ามาขอไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย เธอเคเห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบดีสนใจการเรียนมรารยาทเรียบร้อยก็คิดว่าจะไปเดียนแล้วนก็คงจะได้เรียนรู้อะไรมากมายก็อ น, นุญาตให้ไปพรากว่าพอไปเรียนยได้ไม่กี่เดือนก็สมอุบัติเหตุจมน้ําตายทั <Okay. S 1> นทีที่ลูกค้านี่เธอเศร้าใจแล้วก็เสียใจแล้วก็โทษตัวเองนะว่า มีส่วนทําให้ลูกตายเธอเอาแต่โทษตัวเองว่าเนี่ยถ้าเธอไม่อนุญาตให้ลูกไปอินเดียลูกก็ไม่ตายการที่เธอที่ญาให้ลูกไปอินเดียเนี่ยมันก็คือทําให้ลูกเนี่ยเรียนเป็นไปมาเธอโทษตัวเองว่าทําให้ลูกตายเวลาคิดถึงเรื่องนี้ก็จะรู้สึกแย่มากอยากจะลืมก็ลืมไม่ได้ ถ้าว่าไม่มีครอบครัต้องดูแลเธออาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะทนกับสภา ว, ว่าเช่นนี้ไม่ได้จนกรทังวันหนึ่งก็มีเพื่อนแนะนําให้ไปลองปฏิบัติธรรมเธอก็ไม่มีศรัทธาเลยครับการปฏิบัติธรรมนะก็คิดว่าก็แค่ทําดีแค่รักษาศีลหรือว่าทําบุญให้ทานก็พอแล้วแต่ว่าพอไม่มีทางออก ถึงแม้มีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยทำให้คลายความทุกข์ได้ก็เลยลองไปเข้าลองไปปฏิบททัติธรรมดูก็มีทั้งการปฏิบททัติธรรมแล้การได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมก็ทําให้ก็ทําให้ได้เห็นนะโอ้คนเราที่มีมีกรรมเป็นของตัวเองนะค น, ง ค, นคนบางคนอายุยืนคนบางคนอายุสั้นแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของเป็นพ่อกำของตัวเองเท่านั้นนะแต่แล้วคนมีกรรมเป็นของตน ก็เรื่องทำใจได้การสูญเสียของลูปแต่ความสุดผิดยังมีอยู่ความสุดผิดมันก็จะโผล่มาคอยเล่นงานติดใจนั่เธอแต่ว่าพอเธอได้ผ่านการเจริญสตินะการเจริญสตินเนี่ยมันก็มีหลักด้วยว่าให้ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบท ร, รือแค่ดูมันเฉยเฉยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดไปหมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตบไ ป, ม ไ, ปไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์นั้น เวลามีความสุขผิดเกิดขึ้นไม่ต้องไปช่วยไปจับไปยึดในอารมณ์นั้นคือธรรมะคนเรานี่นะถ้าไม่มีสตินะเวลาโกรธก็จัก็ไปยึดไปจับไปช่วยความโกรธเวลามีความสุขผิดเกิดขึ้นมันก็ไปช่วยไปยึดไปจับเอาความรู้สึกผิดนั้นไปยึดเอาไว้ยิ่งยึดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกเท่านั้นแต่พอมีสติปจารสติเนะีมันก็ทําให้ เพียงแค่ดูมันเฉยๆดูโดยที่ไม่เข้าไปเป็นถ้าพูดแบบหลวงพ่อคำเขียนดูหรือเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นเมื่อเห็นมันเกิดขึ้นก็ดูมันแล้วก็เห็นแล้เห็นมันดับไปแต่ความสึกพินเนี่ยมันก็ขึ้นแทนจิตใจเธอได้น้อยลงมันโผล่ขึ้นแล้วก็หายไปโผล่ขึ้นแล้วหายไปสุดท้ายนก็มันก็ไม่ได้มารบกวนจิตใจเธอหรือมารบกวนจิตใจเธอน้อยมาก สิที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความเบาความสมงบความเย็นถึง <c oughs> จุดหนึ่งเธอรู้สึกเลยนะครับว่าเธอมีความสุขยิ่งกว่าตอนที่ก่อนเที่ยสูญเสียลูกมันมันก็ว่าเธอได้พบชีวิตใหม่ลูกก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะแต่ว่าเธอรู้สึกว่า ได้พบชีวิตใหม่ที่มันสมบเย็นกว่าก่อนที่ลูกจะสูญเสียสิย่งเธอถึงออกปากว่าเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณลูกที่ทำให้แม่เราพบธรรมะคือถ้าลูกไม่ตายเนี่ยเธอก็คงไม่มีวันได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้พบธรรมได้พบกับความสุขสงบเย็นอันพิเสษเธอถึงกัพูดนะว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งคุณค่า ความตายลูกกับสิ่งคุ้มค่าเพราะทําให้แม่ได้มาพบกับชีวิตใหม่สําหรับแม่ทุกคนนะความต่ายของลูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอแลคงจะไม่มีอะไรที่จะมามาม า, มาแทนค่าได้แต่เธอก็ยังปวดคิดไม่ได้วันนียทําความตา่างลูกเนี่ยมันกลับมีคุณค่าขึ้นมาเพราะทําให้แม่ได้แบบพบธรรมะจะเรียกว่าชื่อตเธอเปลี่ยนก็ได้นะชื่อตเธอเปลี่ยน ลูกก็ยังลูกก็ไม่ได้ฟื้นคืนกลับมาแต่ว่าชื่อเธอเปลี่ยนได้เพราะว่าใจเนี่ยเธอพลิกเพราะมีสติจากจิตที่จมอยู่ความเศร้าจากจิตที่เอาแต่ทิ่มแทงกล่าวโทษตัวเองเธอความมีสติเนี่ยทำให้เห็น ว่ามันเป็นแค่สภาวะเป็นแค่เป็นสักแต่ว่าสภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นกับใจมันเกิดขึ้นก็ดูมันไปมันเกิดขึ้นก็เห็นมันไปแต่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์่านั้นมันก็เหมือนกับลมที่มาแล้วก็ไปลมที่มาแล้วก็ไปหรือเหมือนกับเมฆที่อาจจะบดบังดวมอาทิตย์ได้เพียงแค่ชนนับวขณะเสร็จแล้วก็โดนลมพัด พาหายไปความสว่างกลับคืนมาจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยมันมันไม่เคยอยู่นานเลยนะความทุกข์มันไม่เคยอยู่นานแตนเดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านเลยไปเพราะความทุกข์เนี่ยธรรมชาติมันคือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, ดบแต่เป็นเพราะใจเราทีไปยึดมันเอาไว้ก็เลยไปปรุงให้มันเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ดับสักทีเหมือนกับไฟที่ถ้าเราไม่ทําอะไรประมาณ น, นี้มันก็ต้องดับเป็นธรรมดาเตาแก๊สเนี่ยนะถ้าไม่เติมก๊าซให้มันเนี่ยมันก็ต้องดับปัญหาก็คือเราเน่ชอบไปเติมฟืนเติมแก๊สให้มันมันก็เลยลุกโคลงสวาง่างนั่นแหละแล้มันก็เผาใจเราอยู่ไม่เลิกไม่ลาสักทีเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเพียงแต่ไม่ต้องเติมฟืนเติมไฟ เติมเชื่อให้กับกองทุกหรือความทุก์ม่จะเป็นความเศร้าเสียใจความกลัธความรู้สึกผิดมันก็จะดับหรือมอดหายไปแล่ทำไมถึงไปเติมมันเติมเชือ้อเติมฟืนเติมไฟพบอดลืมตัว เวลาเราเวลาใครด่าว่าเราเนี่ยนะเราถึงกันนอนไม่เราถึงกันอ น, กนอนไม่หลับเพราะเราแต่คิดเราแต่คิดเราแต่คิดคิดถึงคนคนนั้นคิดถึงคำด่าว่าคนเมนนะั้นนี่คือการที่เราไปเติมนะเติมเชื้อเติมฟืนเติมไฟมามันก็เลยลุกอยู่เรื่อยๆและที่ทําเช่นนั้นเพราะเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวความรู้ตัวเนี่ยมันตรงข้าม ความรู้ตัวหือความสึกตัวเนี่ยมันตรงข้าม ค, ความหลงถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงก็หายแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็มาแทนที่และความหลงนั่นแหละที่ทำให้เกิดการปรุงเกิดการแต่งเกิดการยึดเกิดการแด่ขึ้นมาเราไม่ได้หลงยึดในสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยเท่านั้นแต่เราหลงยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแม้กระทั่งอารมณ์ ที่ไม่น่ า, อา่อใจอารมณ์ที่แท้มจิ้แทงเนี่ยนะเราก็นึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายถ้าเราไม่มีสตินะเราก็จะไปหลงคิดว่าเนี่ยมันคือความปวดของเราเราเป็นผู้ปวด แต่ถ้าเรา ม, มีสตินะเราเรามีความสุขตัวเลยว่าความปวดก็อันหนึ่งเจ็ก็อันหนึ่งแต่กี่คนนะที่จะเห็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีสติพอไมมีสติเนี่ยเวลาปวดเวลาความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็ไปคิดเลยนะว่าฉันปวดฉันเมื่อยความปวดเป็นฉันความเมื่อย เป็นของฉันเราไม่ได้ยึดเอารถไม่ได้ยึดเอาบ้านเป็นของฉันเท่านั้นนะแม้ทําความโกรธนะความรู้สึกผิดความปวดความมือแล้วก็เพลยยึดเป็นของฉันนะปแปลกไหมในเมื่อเท่านั้นที่มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลยนะเออบ้านรถยนตนะลูกนี่ยังยังยั ง, ย, งยังพรหน้าเยอะเป็นของฉันเพราะมันให้ความสุขใช่ไหมย่างน้อก็ชั่วระยะเวลาน แต่ธรายายาว ไ, ไม่ให้ความสุขนะเพราะว่าอะไรที่ให้ความทุกอะไรที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยมักจะตามด้วยความทุกข์อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นสูตรสาเร็จของชีวิตเลยเงินให้ความสุขกับเราแต่ในเวลาเดียวกน jeans, นันเงินก็ให้ความทุกข์กับเราด้วยทำให้เรากังวลทําให้เราเกิดความวิตกรถยนต์ราคาแพงให้ความสุขกับเราแต่ในเวลาเดียว ก, กันก็ทําให้เราทุกข์เพราะเราคอยกังวล ว่าจะมีคน่อไปไหมมีคนดูแลไหมแต่แม้กระ น, นั้นเนี่ยนะไอเงินทองรูปทรัพย์สมบัติเนี่ยนะมันก็ยังให้ความสุขกับเราอย่างน้อยก็ชั่วยะยเวลาแต่ความโกรธความเศร้าความเสียใจเนี่ยมันไม่ให้ความสุขกับเราเลยแต่ทำไมเราชอบไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานะอันนี้ก็ความหลง หลงพ่าอะไรเพราะไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสติสติแปลว่าไม่ลืมสัมปชัญญะแปลว่าไม่หลงความรู้ตัวเนี่ยมันตรงข้ามความหลงนี่เป็นพราะเราปล่อยให้ใจเราเนี่ยถูกคร่อบงำด้วยความหลงเนี่ยเราถึงไป่วยเอาเอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ชิ้งแทงเราแต่พอเรามีสติ เรามีความสืบตัวเราก็จะเห็นว่าให้สิ่งเรานี้เนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายึดหน้าหน้าเอาเลยมันวางที่แรกเนี่ยเราปล่อยวางเพราะเรามีสติก็กคือว่าเราเผลอไปจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในอารมณ์แล้วพอพอเรามีสติปุ๊บเราวางเหมือนกับหญิงสาวคนที่ พบว่าสามีนอกใจแล้วเธอเป็นทุกข์กับอดิตสามีและพอเธอมีสติเธอก็ปล่อยวางแต่การปล่อยวายงเกิดจากการที่มีปัญญามีปัญญาเห็นว่าในสิ่งที่ยึดนั่นเนี่ยมันไม่น่าในสิ่งที่เผลอเข้าไปยึดเนี่ยที่จริงมันมันเตไมได้วยทุกข์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันก็ปล่อยวางได้อันนี้ปล่อยวางด้วยปัญญาการที่เข้าใจนะความจริงของกายและใจจนเกิดปัญญาเห็นกายและใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสาคัญว่าในการช่วยทำให้ปล่อยวางได้แล้วสามารถทําให้ชีวิตองเราเนี้ยคลี่เปลี่ยนได้ อาจารย์กำพลทองบนนุ่มนะพวกเราหลายคนคงจะรู้จักท่านเป็นท่านทีการมาตั้งแต่ยู่สิบเดินเป็นครูเป็นครูสอนพละชีวิตนี่มีอนาคตแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดโดดน้ำผิดท่าศีษาบไปกระแทกกับพื้นสับก็ทำให้เส้นประสาทมันขาด ทำให้เป็นอนะัมพาตตั้งแต่อคอลงมามือเนี่ยนะแทบจะเคลื่อนหยาบอะไรไม่ได้เลยแล้วนั่นแต่นั้นเนี่ยอนาคตก็เรียกว่าดับวูบไปเลยไม่สามารถจะบวชได้ต้องลาจากราชการแฟนที่เคยคิดจะใช้ชีวิร่วมกันก็ก็เลิกลาจากกันจากคนที่ เมื่อนคสดใสก็กลายเปนเพื่อรอวันตายเพราะว่ารักษาทั้งหลก็รักษาไม่หายอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่สามารถช่วยตัวเองได้ต้องให้พ่อแม่ป้อนขาวหรือว่าอุ้มพาไปห้องน้ำเราลองคิดภาพถ้าเกิดว่าเราต้องมาลุกตรงเลยกันนั้นเนี่ยคิดมันจะทรมานแค่ไหนทูกทั้งกายทุกทั้งใจ ตอนหลังเนี่ยหันมาสนใจธรรมะนะคุณพ่อก็อาหนังสือธรรมะเอาให้อ่านอ่านแล้วก็เู้สึก ด, ดีขึ้นจิตใจก็สบายแต่พออาศัย ก, ก็กลับมาทุกข์ใหม่ยิ่งมานึกถึงอนาคต ว, วันจะอยู่ยังไงถ้าเกิดพ่อแม่ตายแล้วใครจะดูแลเราคิดแบบนี้ก็ทําให้จิตใจห่อเหี่ยวบางทีอยากจะตายขึ้นมาไม่อยากอยู่เป็นภานระให้กับพ่อแม่ไม่อยากอยู่ทนกับสภาพที่ไร้อนาคต ต่ตวเก็ได้ข่าวว่าพันก็ตังทราแคหัมาสนใจเรการปฏิบัติธรรมเพราะรู้อาหารเสรีไม่พอวันนึงก็ได้ข่าวจากคุณพ่อวัาเธ อ, อมีรองมีอาจารย์กรรมหาคนหนึ่งนะสอนธรรมะน่าสนใจคือหลวงพ่อคําเขียนอาจารย์กรรมนก็เลย เ, เขียนจดหมายไปถึงหลวงพ่อปรึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมหลวพ่อท้องการตอบมาได้ น, นำการปฏิบัติธรรม คือปกติการปฏิบัติขลวอมเกล็นก็ในเรื่องการเตือนจงกรมแล้วก็การช่วยสร้างจังหวะนะแต่ว่าการอุปนิสที่ทำไปได้นั้2 อ, อย่างก็เลยให้พลิกมือนะพลิกมือหลวงพ่อก็แนะนำให้พลิกมือนี่นะพลิกก็ให้รู้เวลาพลิกก็ให้รู้ให้รู้สึกตัวแต่ระหว่างที่พลิกเนี่ยใจมันเผลอคิดไปก็ให้รู้ทันความคิด เวลาคลิกเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าคลิกแต่ว่าเวลาจันเปิดคิดไปก็ให้รู้ทันแล้วก็เห็นว่าเนี่ยไอ้ที่คลิกเนี่ยมันเป็นรูปอ้ที่คิดมันเป็นนามไม่ใช่เราคลิกนะมือมันคลิกไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นนามที่คิดจันาานะก็บอกก็ปฏิบัติตามนะก็ขยี้มืงไปที่มือบานแล้วทาตามที่หลวงพ่อแนะนําถึงจุดหนึ่งก็เห็นเลยนะอ๋อ เข้าใจรูปนามเห็นแล้วว่าความทุกข์ความพิการที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นกายที่พิการไม่ใช่ฉันพิการพอเห็นตรงนี้เนี่ยนะท่านว่าจิตเราจะความทิการที่พิการเนี่ยมันเป็นกายพิการไม่ได้ฉันพิการจิตเราจะความทุกข์เลยยังพิการอยู่ แต่เป็นแค่กายพิการสนใจใน่ไดิการด้วยจิตใจก็กลับโปร่งโล่งสบายมีความสุขยังพิการอยู่เหมือนเดิมแต่ใจสบายแล้วเพราะแต่ก่อนยังไปหลงคิดว่าฉันพิการตรงนี้แหละที่เรียกว่เป็นความยึดมั่นถือมันเอาความพิการของกายมาเป็นความพิการของฉันระหว่างกายพิการกับฉันพิการมันต่างกันนะ ชาต ก, กายพิการเนี่ยนั่นคือเห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นไปสําคัญว่าฉันพิการเนี่ยมันหลงแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวบางคนเราเวลาปวดีย่ยว่าแต่พิการเลยเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าการป็นปวดการมันเมื่อยแต่เห็นไปไปสำคัญว่าฉันปวดฉันเมือ่อยเวลาโกรธเวลาโมโหก็ไม่ได้คิดว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจหรือว่าความโมโหเกิดขึ้นในใจแต่ไปคิดว่าฉัน โกรธฉันโมโหว่า ม, มีตัวฉันตลอดเลยไอ้ตัวฉันนี่มันเสียปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะความหลงเมื่อไรก็ตามที่หลงมันจะมีความสึกมันมีความมันจะปรุงตัวกูขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ไปยึดไปเวยว่านี่เป็นฉันเป็นของฉันแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจเช่นความโกรธความโมโหความรู้สึกผิดความเศร้าความเพยาาียรบ่ายก็ไปยึดเอาว่าเป็นฉัน แต่แล้วก็ถุกเองแต่ถ้าเกิดว่ามีมสติแล้วก็ปัญญามันก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของฉันมันไม่มีการรุงตัวฉันขึ้นมาอาจารย์คนเนี่ยจากช่วยของคนซึ่งรอวันตายนะก็กลายเป็นอาจารย์ที่สอนธรรมฐานสอนธรรมถึงแม้ท่านจะเรียกตัวว่าเป็นอุอปกรณ์สอนธรรม ท่านเรียว่าเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์สอนธรรมท่าไม่ได้เป็นอาจารย์กรรมฐานแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะเปิดทางสอนให้คนได้พบทางสว่างผู้คนมากมายที่มีอาการสายสองทุกกายไม่มีรบกวนแต่กับถุกใจต้องมาปรึปรกษาอาจารย์กรรมผเพราะอาจารย์กรรมนเนี่ยแป้ว่าท่านมีความทุกข์กายในใจไม่ทุกข์แล้วก็สามารถที่จะแนะนํา คนเ่านั้นให้ออกจากความทุกข์ใจได้เพียงแค่ได้มาเห็นหน้าแจงกำพลท่านยิ้มละรื่นะจิตสดใสใจเบิกบานเนี่ยคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจก็ผ่อนคลายล้อันนี้เห็นไหมว่าคือคนเราเนี่ยนะชี่ิคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่เพราะว่าถูกลัทธิลัมมานที่หนึ่งไม่ใช่เพราะว่า ร่ำรวยไม่ใช่เพราะมั่งมีไม่ใช่เพราะว่ามีเจ้าถาบรรดาศักดิ์มากขึ้นแต่มันก็ช่อเราเปลี่ยนนะเพียงเพียงแค่ว่าจิตมันพลิกเท่านั้นแหละเพียงแค่จิตมันพลิกเนี่ยนะนะชีวิตก็เปลี่ยนได้และชีวิตแบบเนี้ยการชิตใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นชวิตใหม่ที่ให้ความสนุกและความยั่งยืนได้มากกว่าเพรามันจะอยู่กับเราไปนานคนที่ชีวิต เขาเปลี่ยนแปลงเพราะเขาถูกลัรีรนะ่เขามีฐานะมีตำแหน่งสูงขึ้นเป็นประหลักกระทรวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายรัฐมนตรีนะหรือเป็น CEO อไอของพวกที่มันชั่วคราวทั้งนั้นแหละถึงเวลาก็ต้องก็ต้องกเกษียณถึงเวลาก็ต้องออกจากตำแหน่งหรือว่าเงินทองที่มีเนี่ยไม่ว่าจะกี่ล้านบางทีก็ไม่ได้ใช้ หรือหมดอย่างรวดเร็วแต่ถ้าชิตใหม่มันเกิดจากจิตที่มันพลิกเปลี่ยนเนี่ยนะมันจะเป็นชิตใหม่ที่ให้ความสุขได้ยังย่งยืนกว่าแล้วก็เป็นชีิตที่สามารถที่จะยังประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหันกลับมาที่ตัวเรา ฐานมาดูจิตดูใจของเราเพื่อเป็นการเสริมสร้างฐานจิตให้มั่นคงเป็นการทําให้ฐานใจเนี่ยอย่างลากลึกเนี่ยมันสําคัญมากมันเป็นสิ่งที่ควรทําควบคู่ไปกับการศึกษาในทางโลกจริงๆนะว่าการศึกษาเนี่ยในพุทธศาสนานเนี่ยท่านใช้คําว่าศิกขาสิกฐาเนี่ ย, ยมันมีสามอย่างใจสิกขา การศึกษาเนี่ยสีสมาธิปัญญาการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นส่วนของการศึกษาในฝ่ายที่เรียกว่าสมาธิและปัญญาหรือที่เรียกเต็มยศคืออธิจิตสิกษาแล้วก็อธิปัญญาสิกษานะการศึกษาที่สมบูรณ์นะต้องเป็นการศึกษาที่ทำให้เรารู้ทั้งโลกภายนอกแล้วก็รู้ทั้งตัวเราเองรู้ เห็นความจริงของกายและใจเป็นการสาที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวและเห็นโลกตามความเป็นจริงเรายังไม่สามารถจะเห็นโลกตามความเป็นจริงได้นะถ้าเกิดว่าเรายังขาดความรู้สึกตัวยังไม่อยู่สติเพราะเมื่อดกตามที่เราไม่มีสติเราจะมีอาคาติมาแทนที่อาคาติเนี่ยนะมันทำให้เรามองโลก อย่างคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงอคติพ่อชอบอคติพ่อโกรธอคติพ่อกลัวนะอคติพ่อหลงนะเราไม่สามารถจะมองเห็นโลกตามความจริงได้เลยถ้าเรามีอคตินะเมื่อก็เราใส่แว่นนะแว่นสีอคติจะหมดไปก็ต่อเมื่อเรามีสติต่อเมื่อเรามีความรูสึกตัว แล้วความสุตัวนี้ทำให้เราเนี่ยเวลาทำอะไรก็ทำได้อย่างถูกต้องใช้ปัญญาออกมาอย่างเต็มที่อย่างถูกต้องน่าจะขับรถเท่าไรมีความสุขตัวนะเราก็ไปถึงที่หมายมีโยมคนนึงนะอาสาพาภาพไปส่งที่สำนักของท่านนะ โยมก็นั่งหน้าพา ก, ก็นั่งหลังระหว่างที่ขับรถไปนะอยู่ๆโยมก็เลี้ยวซ้ายแทนที่จะตรงไปข้างหน้าซึ่งเป็นสํานักสงฆ์พา็ถานประโยมไปไหนแกก็เลยรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าแกเพิ่เลี้ยวซ้ายกลับไปบ้านแกพอเส้นทางนั้นแกนะถึงทีไรแกเลี้ยวซ้ายทีนะเพราะบ้านแกอยู่ตรงนั้นนะ การที่พาพาไปยังสำนักนะกับเยลซ้ายเข้าบ้านนี่เพราะอะไรไม่รู้สึกตัวก็รลืมตัวนะแต่บางทีความลืมตัวมันทำให้เกิดโทษมากกว่า น, นั้นนะเราก็เมืคงได้ข่าวใช่ไหมแม่ก็ดีพ่อก็ดีหรือว่ า, าคนขับรถโรงเรียนเนี่ยลืมเด็กเอาไว้ในรถใช่ไหม แม่คนหนึ่งเอาเอาลูปอาอยุสองสามขวบนะขึ้นรถอยู่เบาะหลังแม่นี่ขับรถเพื่อเดียวไปห้างสรรผสินค้าเพราะว่าตอนเย็นก็มีเลี้ยงที่บ้านต้องไปจับจ่ายซื้อของเพลินที่เลี้ยงลางานเธอก็ต้องเอารูปเนี่ยติดรถมาด้วย พอถึงที่จอดรถมันเป็นลายกว้างๆคล้ายๆแบบบิกซี น, นนะก็จอดรถแล้วก็รีบลงไปเพื่อที่จะไปซื้อของ list จ่ายของเนี่ยรายาการที่ต้จ่ายของที่ยัดหวดต้องรีบทำเวลาเพราะนั้นพอจอดพุกนี้ก็ลงไปเลยนะกว่าจะซื้อของเสร็จก็สองชั่วโมงได้พอกลับมาถึงรถตกใจลืมเอาลูกออกมาด้วย ลูกอยู่ในรถแลที่จอดรถอยู่ที่โล่นะแดนก็เผา เ, เด็กก็ขาดขาดน้ำถูกแดงเผาขาดน้ำก็ตายเรื่องแบบนี้เราคงดีไปบ่อยนะเกิดพ่ออะไรนะความลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยบางทีมันลืมหลายอย่างไม่ใช่ลืมส่งพระเท่านั้นบนาะงทีอันนั้นมันเล็กน้อยบางทีลืมลูกถึงลูกไว้ในรถ นี่เพราะว่าอะไรเพราะจิตนะ่ะส่งของนอกจิตเนี่ยมุ่งของแม่คนนะั้นเนี่ยจิตเนี่ยเขามุ่ง ม, มาที่ห้างสรรพสินค้าเขาไม่ได้นะกลับมามีความรู้สึกตัวถ้าเขาเนี่ยมีสติรู้ทันเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังใจเร า, านี่กําลังเผลอไปแล้วนะถ้าเขาไม่รูตัวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเออเราเอารูปเหมือนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอารูปออกมาจากรถด้วย พอลืมตัวแล้วก็ลืมอื่นอย่างอื่นมากมายไม่ใช่แค่ลืมกระเป๋าว่าไม่ใช่แค่ลืมกุญแจรถอาจจะลืมสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่า น, นั้นนะซึ่งอาจจะจะกลายเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากนั่นจำเป็นมากเลยที่เรต้องกลับมานะกลับมาดูใจเลาเสมอเวลาใจเราฟุ้งปรุงไปหรือเผลอที่อะไรไปก็ให้รู้เท่าก็กลับมาเอใจเรากลับมาเนี่ยมันกลับมาอยู่กบนนึกกระตัวเมื่อไหร่มันจะเกิดความรู้สึกตัว สติเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยดึงจิตให้ออกมาจากอารมณ์ความคิดแทนที่จะไหลไปอดีตลอยไปอนาคตจมอในอารมณ์นะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเนี้ยไหลไปอดีตลอยไปอนาคตแล้วก็จมในอารมณ์หรือจมในความคิดสติทําให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงจิตกรรมมาอยู่กันเล็กตัวเมื่อจิตกรรมมาอยู่กันเล็กตัวเกิดความรู้สึกตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวเนี่ยก็สามารถที่จะทําอะไรที่อย่างถูกต้องจะขับรถก็รู้ว่า จะขับรถไปไหนไปถึงที่หมายเวลาจานทะเลาะด้วยความสุขตัวก็วางจานได้เป็นที่เวลามีปัญหาก็แก้ปัญหาได้อย่างถูกได้อย่างถูกต้อ ง, ง, งทันทันท่วงทีถ้าจารย์ไาลเคยเล่านะว่าอันนี้เรื่องที่เก่ามาทีเดียวนะสมัยที่เรายังใช้สตังแดงนะอาจารย์เคยเล่าอันนี้มันเคยมีเด็กนะเด็กเด็กทารกเนี่ยเล่นสตังแดงนะสตังแดงมันเป็นทองแดงนะ สมัยก่อนมันแค่หนึ่งสตังเงยเดี๋ยวนี้เราหนึ่งสตงเราไม่รู้จักแล้วเราใช้เหรียญสลึงอะไรยังไม่รู้จักเลยนะใช้เหรียญห้สิบตังบาทนะสมัยก่อ น, นเหรียญสตึงมันสตังแดงเป็นทองแดงเด็กก็เอาสายป่าแล้วคืนลงไปพอคืนลงไปเด็กก็หายใจไม่ออกแม่ลูกอ่อนเห็นก็ตกใจนะตกใจทํายังไงอะอะหวที่หลนลายอยู่ต้นไม่ขึ้นมาได้ว่าเออ น, น้ํากรดเนี่ยมันกัดทองแดงได้ ก็ร well, ีบไปหาน้ำกรดเี่ยมากราดใส่ปากทองแดงรุนนะดูจากคอนะแต่ว่าเด็กเป็นยังไงนะไม่รู้ตายไปเด็กมีคงแย่เลยนะอะไรที่กายแม่เนี่ยนะเขาก็มีความรู้นะว่าทองแดงเนี่ยมันกัดน้ำกรดเนี่ยน้ำกรดมันกัดทองแดงได้แต่เขาลืมไปว่าไอ้ทองแดงเนี่ย มันอยู่ในคอลูกและน้ํากรดเนี่ยมันกัดคอเด็กได้น่ากลัวมากปัญญาหรือความรู้ที่แม่มีเนี่ยเอามาใช้กับการแ ก, ก้ไใเหตุการณ์มันเป็นความรู้หรือปัญญาแค่ครึ่งๆกลางๆถ้าเขาใช้ปัญญาอย่างเต็มรอกเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอาน้ํากรดกรอกไม่ได้แต่าตอนนั้นเนี่ยปัญญาของแม่เนี่ยความรู้ของแม่เนี่ยมันเป็นความรู้แบบครึ่งๆกลางๆเพราะ อ, อะไร เพาะความไม่รู้สึกตัวเพราความตกใจไม่มีสติพอไม่มีสติมันมีความสึกตัวนี่นะการแก้ปัญหาคนแก้ปัญหาแบบครึ่งๆ ก, กลางกลางซึ่งบางทีมันทําให้เกิดปัญหาความรู้สึกตัวเนี่ยหรือสัม ป, ปชัญญะเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ถูกต้องมีปัญหาต้แก้เรีถูกต้องทําพิการงานต่างๆทํารียงถูกต้องและขณะเดียวกันก็ทําให้เราได้ได้ได้รู้ทันจิตใจของเรา คือเรียว่ารู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้นอกก็รู้ว่าจะเกี่ยวข้างสิ่งใดไหรู้ในก็รู้ว่าใจเราตอนนี้เป็นอย่างไรถ้ามีความสึกตัวเนี่ยมันก็วางมันก็ไม่มีความความหลงนะที่จะทำให้ทำอะไรพลั้งพลาดเราจะมีความเราจะมีความสึกตัวได้เนี่ยก็ต้องกลับมานะรู้ทันความคิดไปก่อยการฝึกสติการทำให้จิตเราเป็นความสึกตัวเนี่ย มันสามารถจะทาได้ในชีวิตประจำวันนะเริ่มต้นในการที่เราทำอะไรใจใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นหรือว่าผู้งานคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเช่นพวกเราตอนนี้ตัวอยู่ตรงนี้นะใจก็นนอยู่ตรงนี้จะปล่อยใจไปที่บ้านจะปล่อยใจไปที่โรงเรียนจะปล่อยใจไปที่ห้างหรือว่าที่ทํางงา น, นทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนัน้นนะ อันนี้ทําทให้เรารู้ทําให้เรารู้ตัวนะเวลาเดินใจที่อยู่การเดินก็ทําให้รู้กายเคลื่นนอนไหวเวลากินใจอยู่การกินก็ทําให้มีความรู้ตัวการกินแต่คนเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความรู้ตัวต่อเนื่องก็จะเผลอคิดนวนคิดนี้ไปตอนเราเผลอคิดเมื่อไหร่เราก็ลืมตัว ตรงนี้แหละเราก็ต้องมีสตริรู้ทันใจที่มันเผลอคิดไปเป็นความคิดที่กำลังเผลอเห็น ค, ความปุ้งแต่งของจิตเห็นแล้วก็วางดึงจิตกรรมมาอยู่กับ ป, ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยถ้าใจมันกำลังกระตัวเราก็จะรู้กายเคลื่อนไหวและในทำงเดียวกันถ้าว่าจะมันเผลอคิดไปเราก็จะมีสตริรู้ใจคิดหนึ่งนี่ก็เป็นหลักการฝันหนึ่งนะ รู้การเคลื่อนไหวรูใจคิดนึกมันสังเกตดูใจของเราอยู่บ่อยๆเวลาเราทําอะไรก็ตามนะการที่เรามองสังเกตดูใจบ่อยๆไม่ว่าในสถานที่กายเคลื่อนไหวหรือว่าการอยู่นิ่งเนี่ยหรือว่าเราเวลาเกิดผัสสะอะไรก็ตามสําคัญมากการปฏิบัติธรรมด้วยการเจรเิญสติเนี่ยมันจะมีอยู่สองภาคใหญ่ๆหนึ่นคือภาคที่มีการเคลื่อนไหวนะเช่นเดิน หรือว่ายกมือสร้างจังหวะหรือว่าตางตาลมหายใจผู้เจ้าบอกว่าให้มีความสึกตัวในเวลามองเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังคู่ขาเหยียดขาดื่มกลิ่นดื่มดื่มกินก น, นะนั่งนอนนะคลองจีวรคือเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยนะทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติมีความสึกตัวนี่คือภาคนี่คือภาคที่หนึ่งภาคที่2คือเมื่อมันมีการรับรู้ มีผัสสะเกิดขึ้นหรือเมื่อมีอะไรมากระทบเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะลิ้นได้รับรสนะตรงนี้มันจะเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วมันจะเกิดการปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความคิดชอบไม่ชอบนะพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจนะโกรธรักนะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องมีสติรู้ทัน เพราะว่าเวลาอารมณ์นี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเสมออันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราต้องรู้ทันนะรู้ทันอารมณ์หรือเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาคือทุกข์และสุขแต่มันก็จะปรุงมาถ้าทุกข์ก็ไม่าทุกข์ก็ชังส่วนสุขก็ชอบถ้าทุกข์ก็ผักใสสุขก็อยากได้ไอ้ชอบชังผักใสยอยากได้เนี่ยอันนี้แหละคือตัวตัวอารมณ์หรือตัวจิตสังขาร ซึ่งเราก็ต้องรู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันเราก็ไม่มีความสึกตัวก็หลงไอ้ตอนที่เคลื่อนไหวเนี่ยน ะ, ะเราอาจะทํเราเราก็ต้องมีสติรู้การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเวลากายเคลื่อนไหวและเวาตอนเจอที่เจอและเจอการกระทบเกิดผัสเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาและตัณหาขึ้นมาก็ให้รู้ทันการปฏิบธรรมเนี่ยโดวยเฉพาะการเจริญสตินี่มันจะมี2อภาคใหญ่ คือภาพที่มีการเคลื่อนไหวเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะอะแต่ในระายการในชีวิตประจำวันเราจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากไม่ได้มีการเดินจงกรมแต่ว่ามันจะมีการกระทบเช่นอยู่นิ่งๆดูโทรทัศน์เนี่ยน ะ, อ, ะอยู่นิ่งๆฟังเพลงเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาหรือว่าดูข่าวเปิด facebook เพื่อไม่กดไลค์ไม่ชอบเพื่อนคอมเมนต์โกรธเราก็รู้ทันนะ ไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวทางกายนะแต่ว่ามันมีการปรูมแต่งทางใจแล้วก็มันมีสติ ด, ดูนะการจุลสติเนี่ยหรือาการสร้างมรู้สตัวเนี่ยสามารถจะทําได้ใน2 ส, สถานการณ์ในการที่มีการเคลื่อนไหวจะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ตามแล้วก็เมื่อมีการกระทบบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจให้กลับมาดูใจแลนะเมื่อมีการกระทบก็คือ้แล้วมันมีปูมันมีปูมอารมณ์ ภูมิใจเป็นอารมณ์ขึ้นมาแล้วสิง่งห์น้อยฝึกได้นะฝึกได้ในชีวิตประจําวันนะคือแม้จะไม่มีเวลาเข้าคอสไม่มีเวลาเข้าไ ม, ม่เวลาไปวัดนะแต่เราก็ฝึกได้และฝึกได้ตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำํำนกะ็เด็กมีก็ทําได้ดีนะพระอาจารย์ประสงค์นะปริคุนนท์ท่านเล่ายฟังว่าเคยมีครั้งท่านไ ป, ไ ป, ไ, ปไปแสดงธรรมให้กับโรงเรียนโรงเรียนหนมาแล้วก็เจอเด็กคนหนึ่งอายุแปดขวบ เด็กก็เป็นผู้หญิงนะน่ารักดีท่านก็แกก็พูดจาฉาฉาเป็นคนเป็นเด็กที่ช่างคิดท่านก็เลยสนทนาด้วยสนทนาสักพักก็ได้เวลากลับวัดแล้วท่านก็พูดกันเด็กว่าหนูน่ารักนะหนูเป็นเด็กดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้รางวัลก็หยิบเอารูประคำมาจากในย่ามเด็กเนี่ยพอเห็นรูปประคำเนี่ยนะเด็กร uh ้องอูฮูพระอาจารย์ประสงค์ก็ถามว่าหนู uh u, นะร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไร เด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูเห็นรูปประคำนะเด็กว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจท่านถามต่อว่าแล้วหนูทําอะไรกับมันหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูแค่ดูมันเฉยตอนนี้ข้างใ น, นมันเริ่มเบาลงแล้วความดีใจมันกำลังลดลงแล้ ว, ลวเด็กก็ตอบนะแต่คนส่วนใหญ่นี่นะถ้าเห็นถามว่าเห็นเห็นอะไรเห็นรูปประคำ เห็นอะไรนะอาจจะเห็นโทรศัพท์เห็นขนมเห็นขนมเห็นของเล่นแต่ลืมเห็นความดีใจที่มันเกิดขึ้นแต่เด็กคนนี้ก็บอกเห็นความเห็นข้างในมันดีใจสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเด็กใช้คำว่าเห็นเด็กไม่ได้ตอบว่านูกำลังดีใจนะเด็กไม่ได้ตอบว่านูกำลังดีใจเด็กตอบว่านูเห็นข้างในมันดีใจต่างกันนะใช่ไหม ดูโกรธกับข้างในมันโกรธมันต่างนั้นนะเด็กก็เห็นข้างในมันดีใจเด็กไม่ได้เป็นนะ ต, ตากันนะหลอกนี่ยมกัเป็ น, นแล้วพอพระท่านถามว่าเราดูทำกับมันดูดูมันเฉยเฉยดูไม่ไทําอะไรกับมันดูไม่ได้ไปกดข่มมันนะอันนี้แหละเป็นหลักการปฏิบัติการเจลสติแบบที่หลวงพอ่อเที่ยวหลวงพอ่งพอคำเขียนสอนเลคือเห็นอยากก่าไปเป็น แล้วก็รู้ซื่อๆดูเฉยๆนะไม่รู้ใครไม่รู้ใครสอนเด็ก น, นะแต่สิ่งที่เด็กต่อมาเนี่ยนะมันก็เข้าหลักการปฏิบัติเลยคือเห็นอย่าเข้าไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆดูเฉยๆไม่ต้องทาอะไรกับมันมันไม่ใช่แค่ความดีใจเท่านั้นนะความโกรธก็จะเปกฎขมมันแค่ดูมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเรือนหายไปเนี่ย ถามว่าเด็เข้าคอร์สหรอาธมะก็ไม่ได้แต่ว่าเด็กเข้าคอนะแต่ว่าเด็กเขาเนี่ยเขาเขาเรียนรู้จักการปฏิบัติเขาเรียนรู้จักจัดการจัดชีวิตประจําวันซึ่งธรรมาเชื่อพวกเราก็ทําได้พวกเรานี่อน่าจะจับหลักได้ได้เร็วแล้วก็สามารถที่ะจะปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเรานะซึ่งมันทาให้เรามีสติความสุขตวัวได้ แล้ถ้าเราเออถ้าจะเราอยู่เามากกว่า น, นั้นเออเราไปเข้าคอร์สไปปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเร่ง น, นะเป็นตัวเป็นทางลัมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะและนี่แหละมันจะทําให้เราเนี่ยมีมีสิ่งที่จะมาเรียกว่าภูมิคุ้มกันความทุกข์สติความสุขตัวเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่ดีมากเรามีภูมิคุ้มกันโรคเรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคอ่ะทุกคนมีกันทั้งนั้น สิ่งที่อาจจะมีกันน้อยคือภูมิคุ้ม ก, กันความทุกข์สติที่เรามีเนี่ยมันไม่พอสําหรับการเผชิญกับความทุกข์โดยเพาะเวลาเกิดวิกฤตนะกลับไปทหมอวิสุทธิหมอวิสุทธิอเองแกก็มีสตินะแต่สติที่แกมีเนี่ยมันไม่พอในการที่ทําให้แกรับมือกับปัญหารับมือกับความอยากรับมือกับวิกฤตในชีวิตได้ทําให้ลืมตัวทําให้หันไปหาทางออกด้วยการไปทําร้ายคนคนอื่น หรือบางคนเจอเจอสูญเสียลูกสูญเสียคนรักสติที่มีก็ไม่พอที่จะรับมือกับมันเสียสูญไปเลยอย่างคุณแม่คนที่ว่าหรือบางคนเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็เสียสูญไปเลยนะเป็นมะเร็งเสียสู ญ, สญกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนแค่เงินหายแม่ค้าจ่ายเงินทอนไม่ครบขาดขาดไปสิบบาท ผ่านไปชั่วโมงก็ยังนึกเสียดายเนี่ยสิบบาทไม่โหดไม่น่าเลยนะ ส, สติแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ไหวแล้วในการที่จะลัเมือความทุกที่หนักนะมันต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ไมต้องต้องไม่เป็นต้องใช้เวลาอะไรมากมีหลายคนมักจะบอกว่ามักจะบอกกับหลวงพ่อคำเขียนว่าหลวไม่มีเวลาหรือไม่มีเวลาปฏิบัตินะ พวกเราเคยมีความสุขแบบนี้ไหมหนไม่มีเวลาปฏิบัติหลวงพ่อถ้าเกิดเลยย้อนถามว่าแล้วทําไมหนูไม่ทาไมทําไมมีเวลาโกรธทําไมมีเวลาหลงนะทําไมมีเวลาทุกข์แล้วคนที่บอกไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่มีเวลาโกรธเป็นวันมีเวลามีเวลาทุกข์เนี่ยเป็นเป็นอาทิตย์นะแทนที่จะนอนก็เอาเวลานนั้เนี่ยมากรุ่มมาทุกข์มาโกรธแล้วบอกไม่มีเวลาได้ยังไงไม่มีเวลาเดือดเฟือ สามารถจะเอาเวลาที่มีอยู่อย่างทั้งที่มันเหลือน้อยไว้ทุกทีเนี่ยเอามาใช้กับการโกรธการทุกเอามาใช้ความหลงได้แต่จริงถ้าเราถ้าเราถ้าเราฉลาดนะแม้โกร ธ, แ ม, กรธแม้ทุกข์แม้รุ่นใจเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัตินะความโกรธสามารถสอนทำได้ความทุกข์สามารถสอนทำได้หลวพรออมเขนั่งเคยพูดไว้ว่าเนี่ย แมนะ้ถูกเขาเด่าว่าก็สามารถเห็นสัจธรรมไนดะ้เพราะคาด่าว่านั่นแหละที่มันจะสอนทำให้กับเราแ้วนะคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะโชวโอกาสเอาทุกอย่างมาสอนทำเอาทุกอย่างมาเป็นเอาทุกเหตุการณ์มาเป็นเป็นแบบคุณขันในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานคุณถูกต่อว่าเงินหายนะหรือว่าเพื่อนมาสายทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแบบคุณขันสอนปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิน้นสอนการเจริญสติได้ทั้งสิน้น รถติดก็สอนสอนทำบ้ะเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสติได้เพราะนั้นคุณมีเวลาปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเพียงแคุณไม่สังเกตคุณไม่รู้ทันหรือคุณไม่ไม่รู้จักใช้โอกาสเท่านั้นเองแล้วถ้าคุณสะส ม, มบ่อยๆสะสมไม่บ่อยสติที่คุณมีเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆในยามทุกก็สามารถจะก้าวข้ามความทุกข์ได้ในยามสุข ก, ก็สามารถที่จะเข้าถึงความสุขที่เปน็นที่ติไปได้ อันละมัก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าคงจ ะ, ะวิตติเช่นกันงนี้เผื่อมีเวลาสำรการสอบถามามีคำถามอะไรไหมคะเชิญ ไ, ไ, ได้เลยนะคะช่วงนี้มีใครจะสอบถัมไหมคะยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวมาจะตามไปค่ะ ดเีเป็นแฟนท่านทาง Facebook แล้วก็ติดตามคําสอนของท่านอยู่สม่ำเสมอเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งจะอาจเจอเรื่องที่ท่านยกตัวอย่างแล้วก็ตอบวิธีแก้ปัญหาแต่ช่วงหลังนี้ไม่เห็นไม่ทราบพอจะหาอ่านได้ที่ไห น, นก็ยังมีนักผู้ชอวิศชนายังมีอยู่ในเฟซบุ o กน ะ, ะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆวั น, นี้ช่วงหลังมีแต่แบบเป็นคําสั้นๆที่สองครับอ๋อยังมีอยู่เนี่ยก็ยังสมาร์กยังตอบอยู่เรื่อยๆ นันใครจะไปค้นหาเพราะว่าเวลาติดตามเนี้ยมันก็ได้ความรู้แล้วเวลาเราไปเจอใครที่มีปัญหาเราก็สามารถช่วยเหลือได้บ้างต้องเป็นเฟซบุ๊กของที่มีรูปหน้าตมานะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่เฟซบุ๊กอตมาร์เฟซบุ๊คอตมาจริงเป็นรูปปลากระโดดแต่มีคนทํำเฟซบุ๊กให้อันนั้นเป็นรูปที่เป็นรูปหน้าตมาเนี่ยเขาจะขยัน เก็บปุดช้ามาให้อดตมาตอบอดตมากต็ ต, กกตอบเป็นวิสัชนาไปแล้วมันก็จะไปปรากฏที่นั่นเป็นที่แรกแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยแชร์กันไปต่อๆไปคือต้องเปิดดูให้ดีเพราะว่าเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่ออดัตมามีเยอะแต่ว่าออตมาไม่ได้ที่ออดตมาทำเองจริงคือที่เป็นรูปปลาซึ่งก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะอยไปอย่าไปติดตามมากเลยไม่ค่อยมีเวลาอย่างมารนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรกับเพจนั้นเท่าไหร่ ท่านใดเพิ่มเติมคำถามไหมคะกรับท่านอาจารย์ครับผมสงสัยเรื่องการรู้แบบซื่ อ, อที่ว่ารู้หรือเห็นแบบที่อาจารย์บอกว่าเวลารู้ไปเห็นอะไรหรือรู้อะไรเนี่ยรู้รู้แบบซื่ อ, อ, อนีอ่อยากให้ขยาย อามณ์นี้นิดๆห น, น, นึ่งครับคือรู้คือซื่อครู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันเช่นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีใจก็ไม่ต้องไปเพลอดเพลินหลงไลกับมันหรือไม่ไปไม่คิดจะประครองมันให้อยู่ไป น, นานๆถ้าเป็นอารมณ์ฝ่ายลบที่เรียกว่าอนิถารลมเช่เนกโกรธโมโหโมกินก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องไปกดข่มมันการรู้เฉยๆนี่ยมันมีพลังนะ มันมีพลังเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้เนี่ยรู้เฉยๆคือรู้โดยสติมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความหลงก็จะหายไปเหมือนกับแสงสว่างมันหายไปเมื่อเจอเมื่อกิดความมืดสมันหายไปเมื่อเจอแสงสว่างนะหรือเหมือนกับน้ำน้ำน้ำเสียเนี่ยที่คุณถ้าคุณเพียงแตปล่อยน้ําดีเข้าไปเนี่ยมันก็ไล่น้ําเสียไปเองคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับน้ําเสียนั้นคุณไม่ต้องไปไปไปสู่มันออก คุณปอกให้น้ําดีในไร่น้ําเสียเองไอ้น้ําเสียนั่นก็คือความทุกข์คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลส่วนน้ําดีคือสติคือความรู้สึกตัวหรือสัพชัญญะเมื่อมันเกิดขึ้นมันทํางานของมันเองใช่ไหมคุณเพียงแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใจแค่ดูมันเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรกับมันเวลาคิดหลวงพ่อมเกียนรติบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดดีก็ อย่าไปเพลินกับมันคิดไม่ดีก็จะไปโกรธอย่าไปโมโหอย่าไปกดข่มมันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรามีความคิดหรือเมียลง เ, เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะทำสองอย่างที่แรกคือเราตามมันเช่นเวลาโกรธเนี่ยเราก็ตามความโกรธไปเลยพอให้ความโกรธมันจูงเราไปพอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเราเลื่อความโกรธไม่ดีความฟุ้งซ่านไม่ดี เราจะทำอีกแบบหนึง่งคือไปกดไปห้ามมันเอาไว้เรียกว่า <c oughs> เรียกว่าไปต้านมันอันนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือแค่รู้เฉยๆนะไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์แล้วก็ไม่ต้านมันแค่ดูหรือรู้เฉยๆนะตรงนี้แหละเป็นทางสายกลางนะที่เป็น วิธีการที่ใช้ในการเจริญสิบปฐมเจอิญสิบปฐานี่เ น, เนี่ย <c oughs> เห็นกายเวทนาจิต ธ, ธรรมเนี่ยท่านก็จะใช้คําว่าให้มันดูเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรกับมันเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนตุโลแล้วว่าหลวงปู่ทํำไงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่บอกว่ า, วาไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเป็นแค่รู้ทันมัน ในการรู้ทันเนี่ยคือรู้ซื่อรู้เฉยเฉยรู้โดยที่ไม่ไปไปไปยึดไปรู้โดยที่ไม่ขวาคว้าแล้วก็ไม่ไม่ผลักใสแต่คุณจะลองสังเกตนะว่าเวลามันมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยใจเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยากจะจัดการกับอารมณ์นั้นโดิมเพราะเป็นถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายลบหลายคนมักจะบอกว่าเอ๊ะทำไม ผมก็เห็นความโกรธทาไมความโกรธไม่หายหลายคนมันจะพูดแบบนี้ก็เพราะาไม่ได้เห็นด้วยสติที่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้เห็นด้วยอาการแบบรู้ซื่อคือถึงรู้ว่ามีความโกรธ้วแต่ในใจลึกๆเนี่ยมันอยากจะกดข่มความโกรธมันอยจะจัดการความโกรธลึกๆเนี่ยมันมีความโกรธมีความไม่พอใจความโกรธอยู่โกรธซ้อนโกรธนะ ตรงเนี้ยที่มันแฝงอยู่ในใจเราโดยที่เราไม่ทันสังเกตอาจมาเปลี่ยนเพกับว่าเวลาเราจะดับไฟถ้าเราดับไฟด้วยน้ําน้ํำบริสุทธิ์ก็จะดับได้แต่ถ้าน้ํานั้นเนี่ยมันเป็นมันเจือมันเจือไปด้วยน้ํามันเนี่ยถ้าเราค่นมันหรือสาดมันลงไปในกองไฟเนี่ยอาจจะไม่ดับอาจจะลุกโคลงขึ้นมาก็เมนคนที่บอกว่ามีสติก็เห็นความโกดมันมันความโกรดไม่ดับ ก็เพราะว่าในในในในสตินะมันไม่สติบริสุทธิ์มันสติที่เจอไปด้วยความอยากจะให้ความโกรธมัหายไปเป็นสติที่เจอไปด้วยความรู้สึกลบต่อความโกรธนั้นทำใจใเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะรู้สึกซื่อคือความหมายนี้ค่ะมีคำถ า, ถามเพิ่มเติมไหมคะ รัศ ก, การเจ้าค่ะอขอโอกาสเจ้าค่ะถ้ามันยังมีเหตุแห่งทุกข์แล้วเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายังมีภาระเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเรื่องครอบครัวที่ที่มันจะต้องทำต่อไปแล้วมันยังแก้ไขไม่ได้เนีเจ้าคะเราจะวางจิตยังไงที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงคือเหตุแห่งทุกข์มันมีสองอย่างนะเหตุที่เป็นเหตุภายนอกและเหตุภายในไอเหตุภายในเนี่ยเราต้องจัดการกับมันก่อนอย่างเที่ยวมาเทีย่ยรอ้วนทั้งหมดนี่คือการจัดการเภายในนะก็คือว่าแม่มีแม่มีภาระมีความรับผิดชอบแม่มีความรับผิดชอบเนี่ยแต่ว่าเวลาทำเนี่ยอย่าทาด้วยการแบกมันไวน้ในใจอย่าให้มันเป็นภาระมันเป็นแค่ความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่ภาระมันไม่ใช่ปัญหา ถ้าคุณมองว่ามันเป็นปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรู้สึกหนักใจนะแต่ถ้าคุณมองว่าเมื่อมีปัญหาเมื่อมีความรับผิดชอบก็จัดการไปแต่ทํำด้วยใจปล่อยวางนะทำด้วยใจปล่อยวางคือว่าเออมันมีความรับผิดชอบก็ทําไปแต่ทํำด้วยใจปล่อยวางนี่เป็นไปได้นะศาสนาพูดเนี่ยสอนอยู่สองอย่างคือทําจิตกระทากิจทําจิตทําจิตไป็นเรื่องการปล่อยวาง การที่ทำยังมีสติเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทำให้การปล่อยวางที่ใจเนี่ยเกิดขึ้นได้ส่วนความชอบก็จัดการไปเมื่อบ้านเสียหลังคารั่วก็ต้องซ่อมแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะอันนี้เราทำจิตส่วนการซ่อมบ้านเนี่ยเราก็ต้องทำการปล่อยวางเนี่ย ต้องย้านะเป็นการปล่อยวางที่ใจแต่ไม่ได้แปลว่าปล่อยฝาละเลยถ้าปล่อยฝาล้วเลยเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะไม่ใช่การปล่อยวางที่ถูกต้องหลวงพ่อช้างเคยเล่า ว, ว่าเคยไปเห็นเคยไปเห็นกุฏนะิหลังหนึ่งที่วัดหนองประพง์เนี่ยพายุที่มันพัดหลังคาไปหายไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าพระที่อยู่ในกุฏิก็ไม่ได้ทำอะไรกับกุฏินะั้นฝนตกมาก็ปล่อยให้มันรั่ว หลวงพ่อเชา้าเลยถามว่าท่านทําอะไรพระท่านก็ตอบว่าผมกําลังฝึกปล่อยวางครับหลวงพ่อชา้าบอกว่าเนี่ยไอ้ปล่อยวางต้อมีปัญญานะไม่ใช่วางเฉยแบบโบแหลกควายหมายความว่าลังคาเสียก็ต้องซ่อมใช่ไหมแต่ว่าซ่อมด้วยใจที่ปล่อยวางหรือการที่ยังปล่อยวางกครที่ยังซ่อมไม่เสร็จก็ยังก็ไม่ทุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีควมรับผิดชอบคุณก็รดูแลคามรับผิชอบนะั้แต่อย่าไปแบกมัน การที่ทำก็ทำด้วยทำอย่างมีสติปล่อยวางเมื่อทำเสร็จถึงเวลานอนก็นอนวางสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจนะเวลาคุณอยู่กับลูกถ้าคุณมีลูกนะก็อยู่กับเขาด้วยใจเต็มร้อยวางเรื่องงานเวลาอยู่กับงานก็ทำด้วยใจเต็มร้อยวางเรื่องลูกลงไปและส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะเวลาทำงานก็ลืมถึงลูก ไม่มีความสุขใลยทำงานเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงานนะก็เลยกังวลเวลานอนก็คิดถึงงานนอนไม่หลับตื่นเช้าไปทำงานก็เลยง่วงนอนนะวิธีการปล่อยวางง่ายๆนะคือว่าเวลาคุณทำงานใจอยู่กับงานวางเรื่องลูกไว้ก่อนคุณจะทำงานได้อย่างมีความสุขมีสมาธิแล้วงานก็จบมาดีไม่มีความกังวลรบกวนเวลาอยู่กับลูก ใจก็อยู่กับลูกวางเรื่องงานคุณก็จะอยู่ได้กลูกได้ใจเต็มร้อยไม่มีความกังวลเรื่องงานมันทาให้อารมณ์เสียบางทีบองคนอารมณ์เสียนะใส่ลูกนะไม่ได้โกรธลูกแต่เพราะว่าเป็นกังวลถึงงานแล้วก็เลยลืมตัวระบายอารมณ์ใส่ลูกบางทีลูกอาจจะพูดเสียงดังก็ด่าลูกที่จริงไม่ได้ไม่ใส่หินจริงคือมุดหิดกังวลกับงานแต่ว่าเผลอตัวก็ทําให้ความสัมพันธ์กับลูกนี่แย่ การปล่อยวางอย่างง่ายๆนะคือคุณอยู่กับปัจจุบันคุณทํางานคุณก็วางเรื่องลูกคุณอยู่กับลูกคุณก็วางเรื่องงานนะนี่คืออย่างแรกที่คุณทําได้สองเวลาทํางานเนี่ยนะก็จะเพิ่งก็ให้มีสติอยู่ของงานจะเพิ่งไปสนใจเรื่องอนาคตว่า ม, มันจะเป็นยังไงออกมาการจะสําเร็จไม่สําเร็จนะนั่นต้องมาคิดว่าทําได้นะเอเอใจปล่อยวางทํางานด้วยใจที่ปล่อยวางขอบคุณทีณ่ค เรายังมีเวลาเพิ่มเติมอีกสินาทีนะคะก็จะปรับการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายนะคะถามได้เต็มที่เลยนะคะ น, นมัสกการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะยดิฉันอยากจะเรียนถามว่าในเวลาที่เราอยู่ในห้องไอซนะคะสะติเหลือน้อยนิดะจะฝึก จะสอนตัวเองอย่างไรกันอ่าอยู่ที่อัยเซโยไม่จำเป็นต้องสติเหลือน้อยนีดก็ได้นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคือกายป่วยใจไม่ป่วยนี่ทําได้นะแม้กายมันจะโอ้โมันจะมีทุกภเวนาบีดขั้นแต่ใจมีสติอันนี้ทําได้นะแต่ว่าจะทํากันได้ก็ต้องมีการฝึกในชีวิตประจำวันอยู่เสมอตอนที่มีสุขภาพดีก็ฝึกสติเช่นทีมาเล่ามาเมื่อตอนตอนเดินดทางของของการบรรยายเนะี่ย ก็คือว่าให้มีสติในชีวิตประจำวันการทําสติทําได้สองอย่างสองส่วนสองภาคก็คือว่าเวลามันมีการเคลื่อนไหวเวลามีการเคลื่อนไหวเวันคุณจะอ า, นาบน้าถูฟันล้างจานซักผ้ากวาดบ้านการเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีสติใจยอยู่ใจยอยู่กับอิเรีย บ, บทสิ่งเหล่านั้นก็คือรู้กายรู้กายที่เคลื่อนไหวล้างจานก็รู้ว่รู้รู้ว่ามือกำลังเคลื่อนกวาดบ้านก็รู้ว่า กายกำลังทำงานอยู่นะหรือถ้ามีเวลาก็เดินจงกรมตามลมหายใจสร้างจังหวะแต่หลวงพ่เทียนหรวอพ่อคำเขียนสอนอีกส่วนนึงคือเวลากเกิดการกระทบเกิดผัสสะขึ้นมาตาให้รูปหูได้ินเสียงนะวิ่งได้รถหรือว่าจิตนึกคิดเอามันเกิดความคิดมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้รู้ทัน เทวตายกตวอย่างเด็กเด็กที่เห็นเห็นรูกประคำของหลวงพ่อประสงค์นะแล้วก็เลยเห็นความดีใจที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นฝึกตรงนี้คราว น, ะนี้สำหรับคนที่กลัวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยจะไม่มีสติเนี่ยอัตมาคิดว่าต้องฝึกอีกส่วนหนึ่งนะคือฝึกให้รู้จักอยู่กับเวทนาให้ได้ อันนี้จะเรียกเป็นภาคที่สามก็ได้นะคือเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาปวดเมื่อืร้อนหรือว่าเวลาปวดหัวยุ่งกัดนะเวลาจะคือเอาเอาเอ า, เอาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกว่าเราจะอยู่กับทุกขเวทนาได้ยังไงโดยใจไม่ทุกข อยู่กับทุกโดยใจไม่ทุกทําได้อย่างไรทุกตัวแรกคือทุกขเวทนาส่วนทุกตัวหลังคือความทุกใจนะถ้าเราคือคนสมัยนี้เนี่ยเวลาเจอความทุกเจอทุกขเวทน า, ากจ็จะหนีเจอแดดร้อนคนหลบอยู่ในที่ร่มนะหรือว่าปวดเมื่อยก็พยายามขยับเพื่อจะให้มันหายปวดหายเมื่อยแต่บางทีเราลองอยู่กับความปวดความเมื่อยอยู่อยู่กับความร้อน อยู่กับทุกขเวทนาอยู่ความหิวแล้วก็ลองดูว่าเราจะอยู่ประมาณได้อย่างไรกายทุกแต่ใจไม่ทุกนะอัตมาว่าถ้าเราลองฝึกแบบนี้ดูก็ดีอัตมาจับธรรมยาการทุกปีนะส่วนผลพลอยได้ประการก็คือ น, นี้แหละธรมาารมญาจานี้จะมาเ ป, ป็ 15, นปะี 1, 8, ที่สิบห้าหนึ่งถึงแปดธันวาปีนี้ก็ใช้ชื่อว่าบูชาครูต่อแทนคุณบูชาครูคือบูชาครูเราต้องเขียน ธรรมยาตาเนี่ยทุกปีก็เดินตางแดนบางคนก็ถอดรองเท้านะเดินเหยียบกรวดเดินเหยียบหินทางก็ร้อนถนนก็ไกลมันมีทุกขเวทนาไหไรยแบบเกิดขึ้นเช่นความร้อนความปวดความเมื่อยหลายคนก็ใช้เป็นโอกาสในการฝึกว่าจะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างไรกายร้อนใจไม่ร้อนทำได้อย่างไรกายปวดใจไม่ปวดทาได้อย่างไรนะ กายเมือ่อยแต่ว่าใจสบายทำได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสนะในการฝึกให้เราเรู้จักอยู่กับเวทนาซึ่งก็ทำได้หลายแบบนะเช่นใช้สมาธิรับมือกับทุกเวทนาหรือใช้สติรับมือกับทุกเวทนามีสติรู้ใจเวลาเกิดความหมึดเหย็ยดเกิดโทสะเกิดโมโหเพราะว่าแตดร้อนเพราะว่าทางใกลหรือเพราะว่าหินมันทิ่มเท้า ก็มีสติรู้ดูความดูอารมณ์มุดิที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันหายไปหรือจะดูทุกขเวทนา ไ, ได้ก็คือว่ า, าให้เห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเห็นว่าการมันทุกขท้ามันปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดไดงไรแ้วถ้าโยมฝึกแบบนี้เรื่อยเรื่อยเนี่ยก็จะรู้วิธีที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้เวลาเจ็บปวยเวลาอยู่ห้อง i อ u เวลาหายใจติดขัดเวลามันมีความ ปวดมีความมีการรบกวนหลายอย่างเนี่ยก็จะอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะสิ่งเหนนี้ทำได้แต่ว่าต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้นะไม่ใช่ไปไปทำเอากันตอนตอนเข้าโรงพยาบาลหรือห้องไอซีอยู่แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยบางทีรับมือทุกเวทนาไม่ได้จิตเกิดโทสะอย่างแรงนะั่กราดเกลียวอารวาสเนี่ยเพราะว่ามันมีโทสะ ความปวดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดจากใจมากกว่ากายนะก็คือว่าถ้ามีปมมีความขัดเคืองใจอะไรบางอย่างเป็นที่ใสอยู่แล้วเนี่ยก็จะอารวาสแ น, นั้นได้มากได้มากจัดการถ้าเรามีสตริรู้ทันกายรู้ทันใจเนี่ยเวลาอยู่ในห้องไอซีเนี่ยมันก็จะไม่ทรมานมากโดยเพราะถ้าเกิดว่าเราเรายอมรับความตาย เพราะเราจเจริญมานักสติเสมอนะเราก็จะสามารถที่จะราาักษาใจให้สงบได้ส่วนใหญ่คนเวลาทุกเวลาเวลาคนที่ทุกเวลาอยู่ในห้องไอซียูหรือว่าใกล้ตายเนี่ยความเจ็บปวดนี่เป็นแค่ปัจจัยเดียวหรือปัจจัยเล็กน้อยปัจจัยที่มากกว่า น, นั้นก็คือความกลัวความโกรธความรู้สึกผิดและความห่วงกังวล หรือ่วงหาอะไรหรือความยึดติดอันส่วนใหญ่เนี่ยให้ความเจ็บปวดจะไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับความทุกข์ทางใจอย่างที่ธรรมะพูดอย่างสประการกลัวโกรธรู้สึกผิดและความ่วงความหวงความยึดติดไอ้ตรงเนี้ยถ้าไม่รู้จักถ้าไม่ไม่เรียนรู้ในการปล่อยวางไม่เรียนรู้ในการทําใจนะมันก็จะมารบกวนมากมันจะรบกวนที่กอ่ความเจ็บความปวดทุกขเวชนาสิ ตรงนี้เนี่ยไม่มียารักษานะเราจะทำโอสบก็คือการปฏิบัติทําคือการเจริญสติคือการทำความดีคือการเจริญมรักสติเสมอรวมทั้งการลดเพิ่มความในใจฝึกปล่อยฝึกปล่อยวางอยู่เสมอๆจะช่วยทำให้เราใจสงบใจเบาได้และกายมันจะเจ็บปวดก็ตา่าง ถาามมีามีคำถามค่ะสรับกบมือคให้ตายให้ามคยยินนะด ให้เขาตาย อ, อย่างสงกบตาย อ, อย่างไม่ทุกข์รมาควรจะมีคนจะต้องทําอย่างไรบ้างครับมันมีวิธีการอยู่สองวิธีการใหญ่ๆนะก็คือว่าหนึ่งน้อมใจให้เขาไปถึงสิ่งที่เขาศ ร, ราัทธาหรือความจริงงามที่เขาได้บังเพลินสิน่งทีท่เขาศรัทธาอยเป็นพระนักไตรอ่าแต่ก็นักถือศัสนาหรือไปเป็นพระเจ้าหรือว่าอัลลอฮ์ น, นนะ เวลาเวลาเราได้นึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยพระเจ้าจะจัดว่ามันจะนําไปสู่ปราโมน้นําไปสู่ปิติปสัสสธินําไปสู่สุขแล้วก็สมาธิแล้วคนที่เรามีทุกขเวทนาร่างกายเจ็บปวดเนี่ยพอได้นึกถึงสิ่งที่เกินศรัทธาหรือเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องพระตนัณฑไตรเนี่ยเขาจะลืมปวด ก็จะรู้สึกเกิดความอบอุ่นใจนะก็จะเกิดปราโมทปิติแล้วนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทําให้ใจ ม, มันสงบทําไม่ถ้าให้ไม่น้อมใจให้เขาคิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยใจ ก, ก็จะไปปักตึงอยู่ความเจ็บความปวดใจก็จะไ ป, น, ะะป น, นึกถึงอดีจะไปนึกถึงลูกรานนึกถึงอะไรต่ออะไรมากมายที่ทำให้เขทุกข์เราก็ต้องดึงติเขาเนี่ยออกออกมาสู่สิ่งที่เป็นกุศลที่ทําให้เขาเกิดปิติปราโมท เรียนน้อยสอนเขาลืมเรื่องพวกที่มันทาให้ทุกข์ใจลืมและกระทั่งความตายอันนี้สอบคนทั่วไปนะที่ยังกลัวความตายอยู่ประการที่สองเนี่ยก็ช่วยให้เขาปลอดเปลื้องสิ่งค้งคายใจและคลายความกังวลหลายคนยังห่วงลูกยังห่วงทรัพย์สมบัติยังห่วงงานงานการ ก็ต้องช่วยเขาปล่อลยวางหลายคนมีความสุดผิดในความสุดผิดเนี่ยบางทีมันก็สามารถจะทิ้มแทนจิตใจเขาทำให้เาตายได้สงบมางคนตาค้างท่าที่อวัยวะต่างๆแย่หมดสัญญาณชีวิตก็แย่หมดแล้วแต่เขาไม่อยอมตายจนกระทั่งเขาได้เจอใครบางคนแล้วก็ได้ถือโอกาสขอเข้ามาขออโหสิขอ อ, ข อ, อภัย เราก็ได้ขอขมาได้ขอโอโหสิแล้วเนี่ยเ <c oughs> ขาก็เหมือนกับว่าตายตาหลับคือหลับตาลบแล้วก็ตายเียนสมุขต้องเป็ น, นจำนวนไม่น้อยไม่อยอมตายนะจนกว่าจะได้ขอขมาขอโอโษสิเพราะว่ามีความรู้สึกติดติดค้างใจมันจะมีอารมณ์หลายอย่างนะซึ่งเราก็ต้องจับให้ได้ว่ามันมีปมเรื่องอะไร บางคนไม่ได้ผัวลูปแต่หวงงานบางคนไม่ได้หัว ง, งานไม่ผัวลูปนะแต่ว่าผวงคำนั้นสัญญาที่เคยรับปากเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ทำใช้ทีนะทันนี้เราก็ต้องช่วยเขาได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการถ้ากว่าเราทำสองอย่างนี้สองประการนี้ได้เนี่ยนะมันก็ช่วยดีเยอะนะน่ะ ยิ่งถ้าเราสามารถช่วยเขาปล่อยวางความเจ็บความปวนได้เช่นชนช้อนให้เขามีสติมีความรู้สึกตัวบางคนเนี่ยนะเขาทุกขเวทนาดีขั้นมากนะแต่พอเรนคอยเข้ามารู้สึกตัวเช่นให้เขากํากํำนิ้วแล้วก็ แ, วแบรําล็แบรให้เขามความรู้สึกตัวอาจจะภาวนาพุโทโธด้วยพุโทโธพุธโทโธ การดึงความสุขตัวใกลับมาเนี่ยมันช่วยบรรเทาความปวดแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ใจได้ถ้าคนที่ใกล้ตายเนี่ยนะเขาจะจมอยู่ในความหลงมากนีความสุขตัวมันช่วยได้มากทีเดียวสติช่วยได้มากทีเดียวแต่จะทำํำได้เนี่ยคนคนที่คนที่ยากเนี่ยจะต้องรู้วิธีการเจรเิญสติไม่งั้นนี่ก็จะทําไม่ถูกแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานะปฐมมาเขาแนะนำสองข้อแรกเนี่ย คือน้อมใจให้พขาคถึงสิ่งที่ดีนามหรือความดีที่เขาได้ทําเขาภูมิใจในเรื่องอะไรบางคนเนี่ยเป็นอากงมากไม่เคยเข้าวัดเรื่องพระเรื่องคุณกุศลก็ไม่ไ่ถนัดแต่ว่าเขาภูมิใจที่เขาได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนกระข้างพึ่งพาตัวเองได้เราก็อาจะชวนเขาคุยถามเขาเรื่องลูกเรื่องหลานเขาได้คุยเขาได้พูดเขาจะเกิดความภาคภูมิใจ เขาภูมิใจเรื่องอะไรเนี่ยดึงเรื่องนั้นเข้ามาพูดเคยมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวบ้านนะั้นแล้วแกก็แกอยู่ในกระสุดท้ายที่โรงเรนหันใหญ่หมออมอใหญ่แกก็มีความทุกข์มากเลยพราะว่าคนที่มาเยี่ยมเนี่ยก็รู้ ร, รู้รู้ดีว่าแกเนี่ยภูมิใจเรื่องอะไรก็ชวนกันร้องเพลงข้ามทํานม เธอได้ความเพลงทังเธอก็มีความสุขเพราะอะไรนะเพราะว่าเธอเนี่เป็นคนเอาเพลงเนี่ยไปเผยแพร่ในตําบลของเธอแถวสุรานครเนี่ยเมื่อสามสิบสิบปีก่อนตอนนั้นมันเป็นชนบทเนี่ยเธอเอาเพลงเนี่ยไปเผยแพร่แล้วคนในตําบลเนี่ยร้องเพลงนี้ได้รู้จักเพลงได้ก็เพราะเธอมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเล็กๆนะสำหรับแต่อาจจะยิ่งใหญ่สำหรับเขา แฟนเพื่อนเนี่ยหรือญาติมาร้องเพลงข้าน้ํานมเนี่ยเธอก็สึก็ฝากปืนอะันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เห็นว่าเนี่ยถ้าเรารู้จำตึงเอาสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมานะี่ยมันช่วยทําให้เขาเนี่ยเกิดความปิติเรา้วก็ทาให้เขาเกิดความมั่นใจสําหรับชีวิตสำหรับคนเรานีคือว่าถ้าเรามีความมั่นใจในชีวิตของเรา มีความภาคูมิใจในชีวงที่ผ่านมาเนี่ยการพร้อมรับความตายเนี่ยมันก็จะอะเป็นไปดได้มากขึ้นยิ่งถ้าเราได้ทําความดีนะยิ่งช่วยได้เยอะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อตั้ง ม, นมันในธรรมจะไม่ปวดปวดโลหะที่ถึงร้อนเนี่ยเมื่อข้าพเจ้าไม่เคยทาช่วยในยที่ใ ด, ดเลยเข้าพเจ้าจึงไม่โกรธความตายที่จะมาถึงาการทําความดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ จะเป็นทุนเป็นสเสบียงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสเสบียงสำหรับคบหน้าเท่านั้นแต่เป็นทุนเป็นต้นทุนในการที่จะช่วยให้เรารับมือกัความตายได้ดีขึ้นการทําความดีการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันมีคุณค่าถ้าเกิดว่ายากเนี่ยรู้ตรงนี้เนี่ยก็ดึงเอาตรงนี้นะเข้ามาเพื่อทําให้เขาเกิดความภาคภูมิใจบางทีอาจต้องใช้การซักถาม มีพยาบาลคนนึงมีคุณยายคนนึ่งกำป่วยคนบรรเลงแล้วแกก็ร้องด้วยความปวดควรครางนะพยาบาลก็ไปถามแทนที่พยาบาลจะถามว่ายายยายปวดกี่คะแนนส่วนยายพยาบาลจะจะมักจะถามว่าปวดเท่าไหร่มันก็มีการปวดเป็นคะแนนนะจากศูนย์ถึงสิบแต่เพียงคนที่ทนที่ถามว่ายายปวดกี่คะแนนถามว่ายายชีวิตที่ทําแล้วมีความสุขมากที่สุดยายบอกหล่อพระ เตอยายยจำได้ไหมวันนั้นยายใส่ผ้าใส่เสื้อเสียอะไรนุ่งผ้าเสียอะไรพยาบาลชวนคุยยายก็คุณย้อนระลึกไปยังเหตุการณ์เมื่อไหล่ยปีก่อนที่แกได้ไปหลอกพระแนจํารายละเอียดได้เยอะแยะหมดเลยแกก็เล่าพยาบาลก็ซักถามชวนแกคุยประมาณสักสิบยี่สิบนาทีได้พอคุยจบแกพูดขึ้นมาว่าเออหมอแกเลี้ยพยาบาลหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยหายปวดไปเลยนะ ตอนนึถึงวันที่ได้ไปหลอดรักบางเรื่องบางราวเราไม่รู้เขามีความปลุกใจเรื่องอะไรเราก็ถามเขาแต่บางเรื่องเราก็จะรู้แล้วก็เราก็แกล้งไม่รู้นะมีเพื่อนคนงนึ่งเนี่ยนะพ่อป่วยหนะักแล้วก็ตัวลูกชายเนี่ยก็ไปถามพ่อว่าลูกคนที่เป็นยังไงลูกคนนั้นเป็นยังไงที่จริงคนถามรู้หมดแล้วนะว่าลูกเป็นยังไง แต่ว่าถามเพื่อให้ลูกให้ให้พ่อที่ได้ได้ระรู้ถึงลูกแต่ละคนแต่ละคนเพื่อจะได้ภาคภูมิใจเพราะลูกคนนึงก็ได้ไปเรียนจบปริญญาเอกจากมาหาวิทยาฮาร์วาร์เป็นหมออีกคนนึงก็อมีความเสน่ห์ในธุรกิจการงานพ่อได้พูดถึงความสำเร็จของลูกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละค น, ะคนพ่อก็มีความสุขนะอันนี้ก็จกในในัดอยู่ในประเภทข้อแรกนะคือชวยได้ความรู้ถึงความดีที่เขาได้ทําหรือว่าสิ่งที่เขาศรัทธานับถือ แต่ถ้าเขามีอะไรที่ยังมีความห่วงหาอะไรมีความยึติมีความอะไรที่ติดข้างคาใจเรา ก, ก็องหาทางแก้ปมตรงนั้นให้ได้มีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากแล้วก็ชั่วชอบชอบพาคนไปทําบุญเลยพ่อในต่างจังหวัดเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วคุณลุงก็ทํำแบบนี้มาเป็นสิบยี่สิบปเป็นเจ้าพี่เจ้าการเป็นผัวเรียกผัวแรง พาคนไปทําบุญแต่วันนี้เขาก็ตัวเป็นมะเร็งมะเร็งก็ลามเร็วมากสุดท้ายก็มาป่วยที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายแกมีการกระสรับกระส่ายลูกหลานเนี่ยก็คิดว่าแกคธรรมบุญทมณฑเนี่ยจะได้ฟังเทปธรรมพระสวดมนต์เนี่ยอ่ะก็คงจะดีขึ้นพราะว่าเปิดเทปนะธรรมะให้ฟังเปิดบทสวดมนต์พ่อก็ไม่มีอาการดีขึ้นก็ออยังกรสรับกระสาย ลูกก็ไกใจทําไมพ่อเป็นอย่างนั้นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยถ้าได้ฟังเรื่องแบบนี้เนี่ยฟังเทพบุตมันน่าจะดีขึ้นจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงเพื่อนสนิทพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดกระซิบข้างหูบอกว่าไอ้เรื่องโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จเราก็ใจหยุดเลยนะอยู่กระซับกระสาย มันไปโดนใจแกมันพ่อแก ม, มันเป็นตรงมาที่แกห่วงกังวดแกห่ว ก, กังวลว่าสร้างบสถ์จะไม่เสร็จแกจเคยลั่นวาจาว่าตายไม่ได้ถ้ายัางสร้างไม่เสร็จนบางทีใครที่ลั่นวาจาหรืออ่พูดแบบนี้ต้องระวังนะเพราะเกิดว่าขอกเชื่อไม่ตายถ้ารูอย่างเด็กไม้จบไม่ตายถ้ารูกยังยังไม่แต่งงานเนี่ยเดี๋ยวพอจะตายก็มันไม่อยอมตายเนี่ยมันจะสู้จะขัดขืนขึ้นทรามานมาก บางคนคุณลุงคนที้แกแกไม่ห่วงอะไรจะห่วงห่วงงานแก้วแกห่วงคํามั่นสัญญาไอนะการสร้างโบวถ์นี่เป็นของดีนะแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากนี่บางทีเป็นโทษนะทำให้ทำให้ตายไม่สนุกทําให้ไม่ยอมตายแต่ว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนรู้ใจนะเพื่อนก็สามารถที่จะพูดให้เอาใครปลุมได้คลายความกังวลได้เพราะฉะนั้นะเนี่ยะ ให้ทำสองข้อเนี่ยเป็นหลักนะข้อแรกคือน้องใจให้เขาไ้ถึงสิ่งที่ดีงามหรือความดีที่เขาได้ทําข้อที่2ช่วยเขาปล่อยวางคลายความยึดติดปลดเพิ่มสิ่งท้งางคาใจเพื่ยถ้าทํา2อย่างนี้ได้ก็จะช่วยได้เยอะแล้วค่ะคำถามสุดท้ายนะคะมป่าคําถามการเดินจงกรมนะคะจําเป็นต้องเดินเร็วหรือเดินช้าใช้อะไรเป็นตัวตัดสินที่จะเหมาะกับแต่ละท่า น, นะคะ่ะ มันขึ้นถือว่าจุดมุ่งหมการเดินจงกรมคืออะไรบางคนเดินจงกรมเพื่อให้เกิดจิตสงบเป็นสมถะบางคนเดินจงกรมเพื่อฝึกสติดังนั้นอย่างเช่นการเดินจงกรมแบบวัตเทียนเนี่ยเดินจงกรมเพื่อฝึกสติความสึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเดินดูเหมือนเร็วกว่าการเดินอของบางสำนักบางสำนักจะเดินช้ามากนะสองเมตรเนีใช้เวลาครึ่งชั่วโม ง, งกว่าจะถึงนะแต่ของวัตเทียนเนี่ย สอวินาทีก็สอเมตรแล้วเพราะฉะนั้นเป็นขึ้นอยู่จุดมุ่หมายก่อนนะว่าคุณฝึกเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อสมถะเพื่อฝึกจิตให้สงบ ห, หรือว่าเพื่อให้มีสติความสึกตัวคร น, นี้ถ้าต้องการฝึกเพื่อสติเพื่อความสึกตัวเนี่ยให้ความเร็วความช้าแต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันสมายที่อาจารย์เดินเนี่ยอาจรยก็เดินเดินก็ดูเหมือนช้าแล้วดูเดินก็ดูเหมือนว่าธรรมดาแล้วนะันแต่หลวงพ่อคำเกียรบอกว่าเนี่ยให้เดินเร็วกว่าเดินเร็วกว่านี้หน่อย เพราะว่าบางคนเนี่ยข้จะสังเกตได้คุณยังสังเกตได้คือเวลาถ้าคุณเดินช้าแล้วคุณเครียดเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณเครียดเนี่ยจะเว่าคุณเดินช้าช้ามากๆเลยคุณลองเดินให้เร็วกว่านี้นิดหน่อยก็จะสุขสบายบางคนเดินแล้วฟุ้งซ่านเดินฟุ้งซ่านนี่ถ้าเดินให้ช้าลงอาจจะช่วยได้ช่วยลดความฟุ้งซ่านได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าตอบสรุปคือว่าหนึ่งเนี่ยขึอยู่กับจุดต้การเดินจนกลมคืออะไร ข้อสองอขึ้นอยู่กับความพอเหมาะพอดีของแต่ละคนชา้าของคนหนึ่งอาจจะหมายถึงความเร็วของอีกคนหนึ่งนะอันนี้เอาเอาเราเป็นเกณฑ์อย่าเอาคนอื่นติดเกณ์จะไปดูจะไปเทียบคนอื่นนะบางครั้งที่จริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาง่วงเนี่ยอาจจะต้องเดินเร็วขึ้นเพื่อแก้ง่วงนะหลวพ่อเทียนเนี่ยท่านเวลาใครที่เดินช้าเวลาใครที่เดินแล้วสงบมากๆเนี่ย ท่านก็แนะนําให้เดินเร็วขึ้นให้สร้างจังหวะเร็วขึ้นเพื่อให้ไม่ติดกับความสงบเ พ, พราะหลว่อเทียนท่านจะฝึกสอนให้ข้ามความสงบไม่ติดความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินแล้วมันสงบเนี่ยให้เดินเร็วขึ้นอยาให้สร้างจังหวะเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิด ว, ว่าฟุง้งซางมากๆเนี่ยก็ต้องทําให้ช้าลงเพราะฉะนั้นไม่มีสูตรสาเร็จมันขึ้นอยู่กับหนึ่งจุดมุ่มายของแต่ละคนสองสภาวะอารมณ์ของแต่ละคนในขณะนั้นนะแต่ถ้าเราจับหลักได้เนี่ย เราก็จะรู้ว่าควรจะเดินช้าหรือเดินเร็วในแต่ละช่วงแต่ละขนาดค่ะถ้าช่วงเวลานี้มัก็ตแบบนี้น่ะอาจารย์ขนาดไนนะคะแล้วก็